วันนี้ลืมไปเลยเนี่ยเพิ่มาในกอกสั ก, ก, กเห็นรถมาเยอะเลยนึกว่าวันนี้มีอะไรบ้างเปล่าลืมไปเลยมันไม่ได้คิดถึงมันแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าของอย่างนี้ไม่ต้องเตรียมตัวตรงนี้มันพร้อมอยู่แล้วไม่ต้องครับ เวาถ้าเกิดเราทำบุญแล้วอุทิศบุญไปให้เพื่อนตางศาสนาที่เสียชีวิตเขาจะได้รับสคได้ถ้าก็อยู่ในฐานะของของผู้ที่ต้องต้องพึ่งอาศัยบุญอุทิศเขาก็จะได้เพราะว่ามนุษย์หรือสัตว์โลกนี้ไม่ได้มีศาสนาเป็นตัวควบคุมว่าจะต้อง อ, อยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของศาสนานั้นศาสนานี้คือไม่ต้องคือว่าไม่มีสังกัดศาสนาคือเป็นพุทธเป็นคริสตเป็นอิสลามเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นเพียงแต่ชื่อสมมุติแต่ตัวที่เป็นตัวกรรมกับสถานภาพของสัตว์โลกนี้คือตัวกรรมกรรมก็คือการกระทํา ที่ไม่ว่าจะเป็นนับถือาศาสนาไหนก็มีการกระทาเป็นคริสเป็นพุทธเป็น islam ก็มีการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจทำแล้วก็จะเกิดวิบากคือผลขึ้นมาดัางนั้นไม่ไม่สำคัญว่าจะนับถือาศาสนาอะไรก็ตามกฎแห่งกรรมนี้มันเป็นกฎที่ ปกครองดวงจิตดวงใจของสัตว์โลกทุกทุกดวงอันนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อจะรู้หรือไม่รู้ก็ไม่สามารถมาเปลี่ยนกฎของกรรมได้กฎของกรรมโดยหลักก็คือทำบาปหรือทำบุญหรือไม่ไม่ทำบาปไม่ทำบุญผลก็จะมี สาทำบาปก็จะไปอบายไปสู่ความทุกข์ทำบุญก็ไปสู่สวรรค์ไปสู่ความสุขไม่ทำบาไม่ทำบุญก็ไม่ไปทั้งสวรรค์ไม่ไปทั้งอบายก็มีที่เดียวที่จะไปได้สำหรับคนที่ไม่ทำบาปทำบุญก็คือกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ นี่คือกฎแห่งกรรมแล้วก็มอกีอีกแห่งหนึ่งที่คนที่ไม่ทำบาปไม่ทำบุญคือคนที่ไม่มีความอยากไม่มีกิเลสตัณหาดวงจิตดวงใจของคนนั้นก็ไปนิพพานอันนี้เป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะเอาคำสอนของศาสนานั้นถ้าขัดกับหลักธรรมหลักขัดกับหลักของกรรมขัดกับกฎของกรรมนี้มาอ้างก็ไม่ขึ้นเหมือนกับคนทำผิดกฎหมายแล้วมาอ้างว่าเป็นชาวต่างประเทศหรือเป็นชาวนับถือาศาสนานั้นาศาสนานี้กฎหมายเขาไม่ได้ดูที่าศาสนา เขาไมได่ดูที่ว่าเป็นชาวชาวต่างชาติหรือชาวในประเทศเขาดูที่การกระทําเป็นหลักถ้าการกระทํานั้นขัดกับกฎหมายก็มีโทษถ้าการกระทํานั้นไม่ขัดแต่เป็นประโยชน์แก่สังคมกฎหมายก็ไม่ทําโทษและอาจจะมีการ ยกย่องสรรเสริญหรือใช้ในการแก้ปัญหาของตนเช่นว่าเกิดไปทำผิดกฎหมายขึ้นมาแต่เนื่องจากเป็นคนที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากศาลก็อาจจะลดโทษให้นี่คือเรื่องของกฎแห่งกรรม คือการกระทาไม่ว่าจะทำภายใต้ศาสนาไหนก็ตามก็จะมีผลเหมือนกันหมดดันั้นคนที่ไปเกิดเป็นขอทานทางจิตวิญญาณนี้ก็คือคนที่ขณะที่มีชีวิตอยู่จะไม่ชอบทำบุญจะชอบทำบา เวลาตายไปไม่มีบุญติดตัวไปบุญไม่ได้จึงไปสวรรค์ไม่ได้ก็ต้องไปอบายไปอบายก็จะไปเป็นเปรตเปรตนี้เป็นขอทานทางจิตวิญญาณต้องมาคอยรับส่วนบุญของผู้ที่ทำบุญอุทิศให้ไป แังนั้นไม่ว่าจะนับถือศาสนาไหนก็ตามถ้าเวลาตายไปแล้วไปรับผลของการเป็นเปรตก็จะต้องมาคอยขอส่วนบุญอุทิศของผู้ที่มีชีวิตอยู่ที่ปัญหาคือถ้าไปอยู่ไปนับถือศาสนาที่เขาไม่มีการเชื่อเรื่องการทำบุญอุทิศ ตายไปก็ไม่มีใครอุทิศบุญให้คือญาติพี่น้องก็ไม่มีการทําบุญให้ก็จะไม่มีแต่ก็ยังดีที่มีศาสนาพุทธที่สอนให้ทําบุญอุทิศให้กับสรรพสัตถ์ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่เป็นคนที่รู้จักกันเป็นญาติกันก็ให้ทําอุทิศให้แก่สัรพสัตถ์เหล่านั้นอย่างที่เมื่อวันที่สามสิบพฤษภาที่ผ่านมา ทุกปีหลวงตาท่านจะจัดทาบุญแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์อุทิศส่วนบุญให้แก่สรรพสัตว์ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามถ้าตกอยู่ในสถานภาพของการเป็นขอทานก็ให้มาร่วมรับส่วนบุญนี้โดยท่านใช้เหตุคือโยมันดาของท่าน ที่ได้เสียชีวิตไปเมื่อปี2525สามสิบพื่อสภาเป็นธรรมเนียมของคนไทยชาวพุทธเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ บ, บิาดามารดา ผ, ผู้ผู้มีพระคุณที่ร่วงลับไปแล้วในวันคล้ายวันเสียชีวิตของท่านเพื่อท่านตายไปแล้วท่านไปตกอยู่ในสถานภาพที่จะต้อง ขอส่วนบุญส่วนกุศลขอบุญอุทิศอันก็จะได้รับบุญอุทิศนี้ไปเป็นที่พึ่งบุญอุทิศนี้ก็เป็นเหมือนกับเงินที่เราใช้ติดตัวเราไปเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยเวลาเราเดินทางไปต่างประเทศนี่เราต้องมีเงินสกุลต่างประเทศติดตัวไปถ้าเราไม่มี ไปเราก็ไม่มีเงินที่จะจ่ายค่าโรงแรมค่าที่พักค่าอาหารค่าอะไรต่างๆาก็จะต้องเป็นขอทานอารอให้คนที่บ้านเราอาจจะส่งจดหมายมาบอกคนที่บ้านว่าให้ลืมเอาสตังไปเอาเงินไทยไปแต่ใช้ไม่ได้เขาไม่เขาไม่ยอมแรกวเขาไม่ยอมะ ช่วยส่งเงินมาให้หน่อยอคนที่ตายไปแล้วอาจจะมาเข้าฝันเข้าฝันบอกว่าตอนนี้เดือดร้อน้านเกินข้าวก็ไม่มีกินเสื้อผ้าก็ไม่มีใส่ถ้าเราถ้าเวลานอนหลับแล้วเราฝันถึงคนที่ตายไปเนี่ยก็จะเป็นเป็นเหตุอันหนึ่งได้ที่จะบอกให้เรารู้ว่าคนที่ตายไปแล้วเขาขอความช่วยเหลือจากเรา แต่ก็ไม่ใช่เสมอไปหมายความว่าอาจจะเป็นความคิดถึงของเราแล้วเราคิดไปเองก็ได้ฝันไปความฝันนี้มันเป็นได้สองแบบฝันที่เกิดจากความคิดปรุงแต่งของเราและฝันที่เกิดจากกายทิพย์ทั้งหลายเข้ามาหาเราดังนั้นเวลาที่เราฝันถึงคนตายจึงเป็นธรรมเนียมว่าเราควรจะใส่บาตร ทำบุญอุที่ให้แก่ผู้ที่ตายไปเพื่ออย่างน้อยจะได้ไม่ไม่ประมาทคือถ้าไม่เป็นความจริงก็ไม่เป็นไรคนทำก็ได้บุญอยู่ดีถ้าเป็นความจริงคนที่ขอส่วนบุญก็จะได้บุญไป เ, เราก็จะได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องหรือคนที่มีพ่ะคุณกับเรา เหมือนกับคนที่เข้าไปต่างประเทศแล้วเขาส่งจดหมายมาบอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินใช้เราก็โอนเงินไปให้เขาได้ถ้าเรามีเงินนั้นมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่านับถือาศาสนาใดกฎแห่งกรรมนี้เป็นกฎสากลคือใช้กับดวงจิตดวงวิญ ญ, ญาณทุกดวงนี่คือกฎมาก าชานมามอพอดีเมื่อเช้าได้เจอข้อความของเฟซุของเพื่อนอีกคนนึที่เป็อิจารามเป็นอยู่มะเขอาจจะตีล่าค่ะทขวเวเาเรื่องเส้ยสละด้วยกันอยนี้แล้ว้องชาเขาขึ้นเฟซบุอกพี่ชายเขาเสียแล้วเพราะว่ า, ว า, าอุบัติเหตุรถยนต์เงนะคะก็ปรากว่าโดนรถเฉียวแล้วก็อสียชีวอนเดกวนนี้ทาบุญแล้ว ท, ทิีทอ่ออาทิพไปเขาอาจจะรอรับก็ได้หรือไม่รอรับก็ได้ ถ้าเขาเป็นคนใจบุญสุนทานทำบุญอยู่เรื่อยๆไม่จำเป็นว่าจะต้องทำกับวัดกับวากับพระพุทธศาสนาหรือแม้แต่ทำกับศาสนาของเขา<อ>ถ้าเขาทำกับเพื่อนร่วมโลกเลยกันปล่อยนกปล่อยปลาเขาจะเป็นพวกับบช่วยนักบวชทีิเป็นนัเรียนช่วยตอนต้องอยู่ที่พพอิสลามเดินที่ยวเขก็จะมีแบบ ทำบทความทำแต่ว่าคดีเรื่องเกับผู้นี้ก็ให้ความช่วยเหลือแก่พู้ออันนี้ก็จะได้บุญไปอคือเขาก็ได้มีส่วนที่เขาทําำที่เขามีชีวิตอยู่แต่ก็มีบุญพอเขาก็ไม่ต้องไปเป็นขอทานเขาก็มีบุญหล่อเรื่องจิตใจมีบุญจ่ายเงินค่าเดินทางค่าที่พักแกลงเพราะการตายไปนี้ก็เหมือนกับการไปเที่ยว ถ้ามีเงินติดตัวไปก็ไปเที่ยวแบบเศรษฐีอยู่โรงแรมห้าดาวถ้าไม่มีเงินไปก็ไปเที่ยวแบบขอทานแล้วตายหรอไม่รู้ตัวเหรคะอาจารย์เหมือนวันหนึ่งอยู่เดินไปแล้วหยูกดจะโดนรถชนแต่ว่าลืมพุโทโธค่ะแล้วถ้าเกิดรถชนก็น่าจะตายแบบไม่รู้ตัวค่ะแต่บางเออว่ารถเด็กทันพอดีแต่ในกรณีนี้ก็น่าจะกรณีเดียวกันเพรเขาก็มาข้ามถนนอีกแล้ว คือวารสุดท้ายของจิตนี่มันเป็นวาระที่มันจะเป็นของมันไปโดยอัตโนมัติคือมันจะเป็นเหมือนกับเป็นการาปิดท้ายบัญชีสมว่าพอเราตายไปปั๊บเนี่ยบัญชีบุญกับบัญชีบาสมันจะมาบวกลบคูณหารกันถ้าบัญชีบาสมีกำลังมากกว่า คือการเผลอสติการทำอะไรที่ไม่ดีต่างๆมีกำลังมากกว่ากับบุญบาปนั่นก็จะเป็นตัวลากใจให้ไปสู่อบายแต่ถ้าบุญนี่มีกำลังมากกว่าบุญก็จะดึงไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆดังนั้นเราไม่ต้องไปกังวลช่วงนั้น เพราะมันเป็นช่วงที่มันเป็นเป็นช่วงเวลาที่เขารวบรวมคะแนนแล้ว <Okay. S 1> เราควรจะกังวลในช่วงขณะที่เรามีชีวิตอยู่ว่าเราสะสมคะแนนดีๆไว้มากหรือน้อย <Okay. S 1> คือเราสะสมบุญไว้มากหรือน้อยสะสมบาปไว้มากหรือน้อยมากกว่าถ้าเรารู้สึกว่าตอนนี้เราสะสมบุญน้อย เราก็ควรที่จะรีบขวนขวายสะสมบุญให้มากขึ้นบุญก็มีสามระดับคือมีทานมีศีลมีภาวนาบุญระดับทานก็เป็นบุญระดับน้อยถ้าเปรียบเทียบกับบุญระดับศีลบุญระดับศีลก็น้อยกว่า บ, บุญระดับภาวนาดังนั้นถ้าเราสะสมบุญ ในระดับภาวนาได้เราก็จะไม่ต้องกังวลเรื่องเวลาตายไปแล้วจะเผลอหรือไม่เผลอหรือว่าจะไปอบายหรือไม่ไปอบายโอกาสที่จะไปอบายนี้น้อยมากสำหรับผู้ที่สามารถเข้าสู่ขั้นภาวนาได้แต่ก็ไม่หลุหมายคำว่าเข้าสู่ภาวนาแล้วไม่มีศีลหรือไม่มีฐาน คือหมายความว่าต้องมีทั้งทานมีทั้งศีลถึงจะเข้าสู่ขั้นภาวนาได้อย่าไปคิดว่าโอ้อยเงงี้เราภาวนาอย่างเดียวไม่ต้องทำทานไม่ต้องรักษาศีลอันนี้การภาวนาก็จะไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำจากขั้นล่าขึ้นไปสู่ขั้นสูงคือต้องทำทาน ใจเราต้องไม่มีความหวงไม่มีความตันีีในทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ไม่มีความโลภอยากได้เงินทองเพื่อที่จะมาซื้อความสุขต่างๆผ่านทางตาหูจมู ก, กลิ้นกายเราจะเอาเงินทองที่เรามีอยู่นี้เอามาแบ่งปันให้แก่ผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน เราจะหยุดการใช้เงินใช้ทองเพื่อซื้อความสุขให้กับเราเช่นซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆของที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดารงชีพคือของที่ไม่เกี่ยวกับปัจจัยสี่มีหรือไม่มีเราก็อยู่ได้ยางงั้นเราก็ไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองเพราะการเสียเงินเสียทองนี่จะทำให้เราต้องไปหาเงินหาทองมา เสียอยู่เรื่อยๆถ้าเราต้องไปหาเงินหาทองเราก็จะรักษาศีลได้ยากเราจะไม่มีเวลามาภาวนาหาบุญขั้นสูงได้คือหน้าที่ของทานก็คือให้เรายุติการหาเงินหาทองใช้เงินใชยทองกับของที่ฟุ่มเฟือยของที่ไม่จําเป็นอแล้วให้เรา จะได้มีเวลามารักษาศีลมาภาวนาถ้าเราไม่มีเงินทองที่จะไปแจกจ่ายแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นเพราะเราต้องเก็บมาไว้สำหรับดูแลรักษาอัตภาพร่างกายของเราเราก็หยุดการทำทานได้แล้วเราก็มารักษาศีลมาภาวนาแล้วก็อ่านเนื้อหาค่ะ ตอนนี้มีคนตั้งข้อสังเกตว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นเมืองศูนย์กลางของพระพุทธศาสนาแล้วก็มีวัดเยอะที่สุดพุทธศาสนิกชนก็มีมากกว่าร้อ ล, ละเกา้าสิบห้าของประชากรทั้งประเทศแต่ว่าทาไมยังมีปัญหาสังคมปัญหาความขัดแย้งเนี่ยยังเยอะอยู่ทางที่คนส่วนมากของประเทศมาถูกเพราะว่าพุทธศาสนาในเมืองไทยนี้เป็นพุทธเปลือกไม่ใช่พุทธแก่นเข้าใจไหม ถ้าเป็นผลไม้ ก, ก็มีแต่เปลือกไม่มีเนื้อแกะทุเรียนออกมานี่ไม่มีเนื้อข้างในเนื้อถูกกรลอกกระแตมันกอมกินไปหมดมีแต่เปลือกทุเรียนมีแต่เปลือกส้มเปลือกกล้วยนี่คือพุทธศาสนาของประเทศไทยในวันนี้เนี่ยฐานวัตถุลลถต่างๆที่เราเห็นอยู่เนี่ยเป็นเปลือกของศาสนา ไม่ใช่ของแก่นของศาสนาแก่นของศาสนาอยู่ที่ตรงไห น, นอยู่ที่ปริยัติปฏิบัติปฏิเวณคือปริยัติแปลว่าการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติก็คือการปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าได้ทร ง, ง, งสทรงสั่งสอนให้ปฏิบัติปฏิเวณก็คือการได้บรรลุผลที่เกิดจากการปฏิบัติ นี่คือแก่นของพระพุทธศาสนาที่หายไปจากพระพุทธศาสนาในประเทศไทยมีอยู่บ้างแต่มีจำนวนน้อยมีมีอยู่กับพระที่เรียกว่าพระสายวัดป่าเป็นส่วนใหญ่พรเทียบเป็นเประเซ็นก็สุดน้อยคือหนูเคยศึกษาสำนวน พระสงฆ์ในไทยเขาบอกว่ามีประมาณสองแสนกว่ารูปกรณีที่บทหนึ่งเดือนบทสามเดือนบทตามประเซ็นต์คือไม่ต่ำกว่าสองแสนรูปก็แสดงว่าถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนที่พราจารบอกว่าพระป่าก็น้อยกว่าอืมากไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์เขาไม่ถนี้เขาไม่เท็มยงะพระป่าไม่รู้จำนวนมีทั้งสองถึงสองหมื่นหรือเปล่าอืมก็มมเป็นเพราะว่า คนไทยไม่ไ hmm ด้ศ hmm. ึกษาว่าจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าสอนอะไรเราไปเชื่อพิธีกรรมมากกว่านะคะการแสดงออกเรื่องพิธีกรรมขึ้นบ้านไหนเอาพระมาสวดทำบุญตัดบาตรถือว่าเป็นพระพุทธศาสนาแล้วก็ถ้าว่าศึกษาก็น้อยศึกษาแบบไม่ครบหลักสูตรศึกษาแบบบอกปากต่อปากพ่อแม่สอนลูกกันมาก็สอนกันอยู่ในระดับ ทานเป็นส่วนใหญ่คือทำบุญใส่บาตรเลี้ยงพระเลี้ยงเพลงอย่าง น, นี้จะเป็ น, เ ป, นเป็นการปฏิบัติของชาวพุทธเราแต่จะไม่ค่อยเข้าถึงระดับสูงคือศีลหรือภาวนากันาภาวนานี้มันเป็นระดับที่ทำให้เกิดปัญญาเกิดความรู้ผิดถูกดีชั่ว ดังั้นการทำทานอย่างเดียวนี้ย่อมไม่สามารถที่จะทำลายความหลงที่หลอกให้ดวงจิตดวงใจนี้ไปหลงกับการหาลาบยศสารเ ส, สริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจึงเป็นที่มาของการกระทำบาปการกระทำผิดต่างๆเพราะความโลภอยากได้ลาบยศสารเสริญ อยากได้ความสุขทางตาหูจมูกเล่นกายโดยที่ไม่ได้ศึกษาถึงผลเสียที่ตามมาถ้าหาด้วยการกระทำบาปคือคอร์รัปชันคนจึงไม่กลัวบาปคนจึงไม่กลัวคอร์รัปชันกันทำกันอย่างเปิดหน้าเปิดตาทำกันอย่างเป็นกิจเจลักษณะเป็นที่รู้กันทั่วสังคมมันก็เลยเป็น สิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใจของคนไทยเราทุกวันนี้เรื่องคอร์รัปชันทุกคนทำบาปกันเพราะทุกคนรู้ว่าอันนี้เป็นวิธีที่จะทำให้เขาได้สิ่งที่เขาต้องการกันไม่ว่าจะทำอะไรจะต้องมีเบี้ยบายลายทางไม่มีอะไรที่แบบตรงไปตรงมาอันนี้เพราะว่า ไม่ได้ศึกษากันหรือว่าถ้าได้ศึกษาก็ได้ศึกษาเพียงระดับทานเท่านั้นเองคนไทยนี่ดีอย่างใจบุญชอบทําทานอวัดวานี่อยู่ที่ไหนนี่จะไม่อดอยากไม่อดตายอมีคนไทยอยู่ที่ไหนคนไทยชอบทําบุญมากสังเกตเวลาคนไทยเข้าวัดนี่หิ้วของเต็มหมดเหมือนไปช้อปปิ้งมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ เวลาต่างชาติเดินเข้าวัดนี่เดินตัวเปล่าเดินเข้ามาตัวเปล่าวัดวาที่ไปตั้งอยู่ในเมืองนอกเนี่ยถ้าไม่มีชุมชนชาวไทยหรือชาวคเนเบอรหรือลาวอยู่อยู่เนี่ยอยู่ไม่อยู่ไปไม่ได้เพราะถ้าจะรอให้ชาวต่างประเทศไปสนับสนุนนี่ก็คงจะอดตายเพราะชาวต่างประเทศเขาไม่มีธรรมเนียมเรื่องการทำทานกัน ไม่เหมือนชาวไทยนี่พอเข้าวัดนี่เหมือนก่าได้เข้าสวรรค์ได้ขึ้นสวรรค์กันโอ้ยข้าวของมีอะไรขนกันเข้าไปพลังมองแล้วยังงงเลยว่าโอ้มันขนอะไรมาเยอะๆภาพก็มีไม่กี่องค์ไม่ดูกันบ้างว่าภาพมันกินผลหรือเปล่าจะเอาไปไหนก็ไม่สนใจขอให้ได้ทำอันนี้คือดีอย่างเรื่องของคนไทยเรื่องบุญนี้เท่าไหร่เท่ากัน เชื่อบุญแต่ไม่เชื่อศีลไม่ค่อยเชื่อศีลกันไม่เชื่อภาวนากันมันก็เลยไม่ค่อยได้ได้ได้ประโยชน์จากพระพุทธศาสนาเท่าไหร่สังคมจึงมัวเมาอยู่กับเรื่องอบายามุกวัวเมาอยู่กับเรื่องการคอรัปชันการทำบาปด้วยวิธีการต่างๆ อันนี้แหละคือศาสนาของพุทธศาสนาของไทยเราเป็นอย่างนี้มีน้อยที่จะปฏิบัติได้ครบทั้งส่วนส่วนทานก็ทําศีลก็รักษาภาวนาก็ภาวนาคือภาวนาก็หาเวลาเข้าวัดอย่างน้อยก็อาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ยังดีเช่นวันทำรรมัสสวานณะวันพระเหมือนอย่างวันนี้ ปกติแล้วคนไทยต้องเป็นวันหยุดทํางานสมัยก่อนนี้เมืองไทยเราจะมีวันหยุดคือวันโกนกับวันพระวันโกนเพื่อจะได้ เ, เตรียมตัวเตรียมการ เ, เตรียมอาหารเตรียมข้าวเตรียมของเตรียมอะไรต่างๆวันพระก็จะได้เข้าวัดมาทําบุญให้ทานมารักษาศีลรักษาศีลของนักบวชคือรักษาศีลแปด แล้วก็อยู่วัดภาวนานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาฟังเทศฟังธรรมนี่อันนี้คือการปฏิบัติของชาวพุทธที่ถูกต้องต้องมีอย่างนี้มีผู้นำของประเทศทมอย่างนี้ให้ให้ใ ห, ให้ให้ลูกประเทศได้ดูให้ประชาชนได้ดูกันบ้างหรือเปล่านายกรัฐมนตนรีคณะรัฐมนตรี วันพระหยุดการทำงานหนึ่งวันเข้าวัดไปทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมอยู่วัดสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินอนในอุโบสถมีทำกันบ้างหรือปเปล่าอันี่ก็คือหน้าที่ของชาวพุทธเราขั้นต่ำนะขั้นน้อยที่สุดก็คืออาทิตย์ละหนึ่งวันคือวันพระนี่ไม่มีเลย แล้ววันธรรมดาก็ต้องเช้าก็ต้องตักบาตรก่อนไปทำงานทำบุญตักบาตรรักษาศีลห้าเป็นเป็นพื้นเพการกระทํานี้จะไม่ละเมิดศีลห้าโดยเด็ดขาดกลับบ้านตอนเย็นอาบน้ำรับประทานอาหารเสร็จก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิก่อนเข้านอนนี่มันไม่มีกันอย่างนี้ ถึงบอกว่ามันไม่มีแก่นไงไม่มีเนื้อมีแต่เปลือกเปลือกก็คือทานสร้างบอยจากงานกระถินงานผ้าป่างานสร้างเจดีย์งานสร้างโบสถ์ในโอ้โหต่างคนต่างแย่งกันทำประกาศชื่อเอาหน้าเอาตากัน เป็นเพราะว่าไม่ได้ศึกษาแก่นว่าพาออะระพุทธเจ้าของในศาสนาพุดธคืออะไรทำให้มีกับเรื่องธรรมทานอย่างที่พระอาจารย์บอกมาถึงมีพุทธทานนิพพานใช่ไหมคะวัแต่ ว, ว่าบางที่เข้าไปไม่เหมือนเป็นวัดเลยบางทีมีเจ้าจีน ม, มีมีของพราหมณ์มีสติ๊กเกอร์แตะติดอยู่เพราะว่าไม่เห็นไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่พึ่งทางใจที่แท้จริง ก็เลยใครบอกว่าอะไรเป็นที่พึ่งก็เชื่อกันไปหมดในมีที่พลของคำสอนของศาสน า, าอื่นเข้ามาผสมผสานในศาสนาพุทธมีที่มีพิธีปามีการบวงสรวงเทวดามีการศึกษากับสินแสเรื่องฮวงจุ้ยหวงจีงจอ้อะไรต่างๆับ คนเข้าทรงทานายทายทักอันนี้เป็นกิจกรรมนอกคำสอนของพระพุทธศาสนาที่ตกอยู่ในข้อเรียกสังโยชน์ที่เรียกว่าสีลพัตต์ปารมามะถ้าผู้ที่ศึกษาพระธรรมมีดวงตาเห็นธรรมแล้วจะเชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพียงอย่างเดียว พระพุทธพระธรรมพระสอนพระสงฆ์ก็สอ น, สอนให้เชื่อกฎแห่งกรรมเพียงอย่างเดียวไม่ต้องไปทำพิธีอะไรทั้งนั้นเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นเพราะเหตุสองประการเหตุแรกก็คือกรรมที่ทำมาเหตุที่สองก็คือกฎธรรมชาติกฎของธรรมชาติคือทุกสิ่งทุกอย่างมีเจริญย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดา แต่คนเรามักจะไม่ชอบความเสื่อมกันชอบแต่ความเจริญเวลาพบกับความเสื่อมก็เลยต้องพยายามหาวิธีดับความเสื่อมนั้นให้ได้ก็เลยเมื่อไม่เมื่อยังยังไม่อยากจะให้เสื่อมเมื่อพระพุทธศาสนาไม่สามารถตอบสนองความต้องการนี้ได้ก็เลยต้องไปหาผู้อื่นมาช่วย ผู้อื่นเขาก็หลอกว่าให้ทำพิธีกรรมอะไรต่างๆให้ฆ่าวัวฆ่าเป็ดฆ่าไก่ให้บูชาลาหูนบูชาด้วยของด ำ, ดำทูบดาเทียนดำหรือถ้าไปหาซินแสก็บอกว่าให้เปลี่ยนทิศทางของบ้านาหน้าต่างควรจะย้ายมาทางนี้ปิดทางนี้ของเปิดทางนี้ของจันลัยมันได้เข้ามา อันนี้คือเรื่องของการที่ไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงค์ไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมไม่เชื่อเรื่องของกฎของธรรมชาติที่มีการเจริญย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเช่นชีวิตของคนเราทุกคนเกิดมาแล้วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาแต่เมื่อยังมีความหลงมีความอยากให้ชีวิตอยู่เป็นนานๆไม่เจ็บไข้ได้ป่วยใครมี ใครมาแนะนําว่าไปทํางงพิธีอย่างนั้นพิธีอย่างนี้แล้วจะไม่เสือ่อมไม่แก่ไม่เจ็บก็ไปทํากันใหญ่ทําแล้วก็ผิดหวังไปไม่ได้ผลอะไรเกิดความเชื่อที่ถ้าจะบอกว่าผิดมไม่รู้ว่าผิดหรือเปล่าเขาบอกว่าปล่อยเต่าแล้วอายุยืนตัวดีว่าเมื่อวานไปคุยกับจตวรรษแพทที่เขาช่วยเผาที่เขาบอกว่าเปยื่อความเชื่อของคนไทยตามวัฒนธรรมก็จะเป็นตลําเต่า ้ําาเียคือการทําอะไรเนี่ยมันก็จะกลับมาหาเราสมมุติเราไปปล่อยปลาปล่อยเป็ดปล่อยไก่ปล่อยเต่าเนี่สมมติว่าถ้าเราไปเกิดไปเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นเต่าแล้วถูกก็จับก็จะมีคนมาปล่อยเราเนี่ยใกล้คิดอย่างนี้เท่านั้นแหละคือกดแห่งกรรมทําอะไรไว้มันก็จะได้อย่างนั้นไปฆ่าเป็ดฆ่าไก่เวลา ไปใช้กรรมไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่ก็จะถูกเขาจับไปฆ่าถ้าไปปล่อยเป็ดปล่อยไก่ปล่อยปลาเวลาไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นปลาก็จะมีคนมาช่วยมาถ่ายชีวิตเราแต่ตอนนี้ก็มีขอต้องประเบอกว่าบางทีคิดว่าจะไปให้ชีวิตเขาแต่บังเอิยว่าเอาเขาก็อยู่ในน้ําเน่าเป็นสลัมแล้วก็ต่อมเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ําแทนที่ตอนี้พี่มาตักแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรคอไรอยางน มันก็เป็ น, นมันก็เป็นกรรมของเต่าด้วยนะั้น <c oughs> มันก็คงเคยไปปล่อย <c oughs> ปล่อยเต่าไว้ในที่อย่างนั้นมันถึงต้องมาถูกเขาจับมาปล่อยในที่นั้นเหมือนกันงั้นเราอย่าไปถ้าเรามองอย่างนี้แล้วทุกอย่างมันลงตัวหมดเข้า <c oughs> ใจไม้ม <c oughs> อะไรที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ย <c oughs> บอกว่ามันเกิดจากการกระทําของเราในอดีตมันเป็นเหมือนเหมือนกับกระจกอะกระจกเราหน้าตาเราเป็นยังไงกระจกมันก็จะสะท้อนหน้าตาของเราอย่างนั้ น, นเรียกว่ากฎแห่งกรรม คุณยิ้มใส่กระจกกระจกมันก็จะยิ้มใส่กับคุณเนะถ้าคุณแยกเคี้ยวใส่กระจกมันก็จะแยกเขียยกับหาคุณเนอะให้คิดอย่างเงี้ยถูกต้องตายไปแล้วคุณต้องไว้รับกรรมที่คุณทําไว้เพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเพราะมันทํามาเยอะกรรมมันเยอะและเกินคิวมันยาวจะไม่จะจดบัญชีไว้ว่าทําอะไรไว้มั่ ง, งนั้นก็ต้องเชื่อกดอย่างนี้ยแาจะสบายใจ ถ้าเชื่อสองอย่างที่เราสอนนี้แล้วคุณจะไม่ต้องไปทำอะไรนะ<ม>เชื่อกฎแห่งกรรมแล้วเชื่อกฎของธรรมชาติของทุกอย่างมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมมีเกิดก็ต้องมีดับ้ลวลาที่คนไทยพุทธไทยส่วนใหญ่ที่บอกว่ามีแค่เปื่อกสีใหม่ก็จะไม่มีแค่ไม่มีคำเปลือกแล้วไม่มีอะไรเลยด้วยความที่ไม่ศึกษาก็เพราะว่าใช่ต่อไปก็จะไม่อยากทำทานกันแล้วเพราะ การทำทานนี้กลายเป็นเนเ่ยอของพวกมิจฉาชีพไปเช่นเอาซองกันมาแจกมาเรียลายแล้วก็ไม่รู้ว่าเรียลายแล้วไปถึงไหนก็ไม่รู้อย่างนี้คนก็เห็นซองก็เอื้อมกันอันนี้แหละมันจะทำให้ความใจบูรณาธทานของคนไทยมันจะลดน้อยลงไป แล้วต่อไปมันก็จะไม่อยากจะทําทานกันอยู่นี่น้องออกคือคนหนึ่งที่เขาทพ่เงเรียนจบมาแล้วที่บ้านที่บวชแต่เขาบอกว่าเขายังไม่รู้ว่าบวชไปแล้วคืออะไรแล้วคําว่าแก่นของศาสนาพุทธคืออะไรเขาถึงจะไม่ยอมบวชแต่ถ้าเมื่อเขารู้เขาถึงจะบวชกันเรื่องอนะคะแล้วเขาก็ตั้งคําถามแต่ว่าพาไปต้องไปที่ทอีกคํข่าวอีกที่หนึง่งนะคะรูปนั้นก็ไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่ตวันนี้เขาไม่ได้มาด้วยก็ถามค่ะ ไม่ต้องไปหาพระเลยนะี่ยมีพระก o เกิลอยู่คนเดียวเนี่ยต้องการอยากจะรู้อะไรเข้าไปถามพระกู o กิลได้เลยเรายังไปถามบ่อยๆเลยเมื่อวานนี่ก็มีคนมาถามเรื่องทิฏฐิจิตว่าเป็นอะไรเราก็พอจะรู้แต่เราไม่อยากจะเราอยากจะหาแหล่งที่มีการอ้างอิงได้แล้วก็ใส่ทิฏฐิจิตเข้าไปใน google มันก็โผล่ขึ้นมาไปเจอคําสอนหลวงปู่บั้นท่านก็พูดถึงเรื่องทิตฐิจิตนี่ อ้องกลบไปบอกคขาว่าเสด็จผู้ถามว่าบวชบวชเพื่ออะไรบวชทำไมแล้วความหมายตามหลักทำคำสอนจริงๆกันทิ่ตีกรรมเนี่ยเช่นการปล่อยปลาใส่ชีวิตโครกระบือความหมายจริงๆแล้วมีนคืออะไรก็ทำบุญเนี่ยททานาเนี่ยแม้ไม่ทำอย่างนี้เราไปทำทานอย่างอื่นก็ได้ได้ ที่แต่ละคนอาจจะมีความผูกพันกับการกระทําบุญแบบต่างๆกันบางคนชอบทําทานกับเด็กพิการบางคนชอบทําทานกับคนแก่คนชราบางคนชอบทําทานกับพระแล้วแต่ที่จะชอบชอบอะไรก็จะทําอย่างนั้นทําอะไรก็จะได้ผลอย่างนั้นกลับมาหาตนเอง แล้วอย่างความหมายของทีกรรมนะคะพระอาจารยเช่นเด็กเกิดใหม่ให้พระคนผมไปให้หรือว่างานการตายแล้วมีความไปสวดก็เรื่องของความไม่เข้าถึงกฎแห่งกรรมไม่เข้าใจหลักกรรมอยากจะทําอะไรให้ทุกอย่างมันดีอย่างเดียวเด็กเกิดมาใหม่เชื่อว่าถ้ามีพระโกนหัวให้แล้วชีวิตจะปลอดโปร่งโล่งปลอดจากพิษภัยอันตราย มีแต่ความเจริญอันนี้เป็นความเชื่อที่ขัดกับกฎแห่งกรรมกฎของหลักของความจริงว่ามีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นธรรมดาเมียนชาติอื่นที่ก็ไม่มีพิธีธกรรมอย่างนี้เขาก็ต้องล่มจมกันไปหมดแล้วสิประเทศอื่นที่เขาไม่ได้มีพิธีกรรมแบบเรานี้ทำไมเขากับเจริญนุ่งรวงกับเราสิ แล้วอตอนนี้มีโปรโมชั่นผู้ว่ายพระเจ้าวัดปิดทองอยู่ก็เป็นพุทธภาณิชย์ไงอย่างที่บอกไว้ถ้าพุทธเขาบอกว่าอยากถ้าอยากจะศึกษาตอนนี้นะคะอาจารย์แดงคันไหมก็ศึกษาได้ตลอดเวลาเข้าไปหา google เลยอยากจะรู้อะไรก็ใส่เข้าไปเลยค่ะเกี่ยวกัพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ได้อ้าวถ้าอยากจะรู้ใส่เข้าไป มันต้องมีคําตอบมาทําไมเวลาจะไปเที่ยวประเทศนู้นประเทศนี้สมัยสวดได้หมดเลยว่าโรงแรมมีกี่โรงแรมมีที่เที่ยวตรงไหนบ้างแต่พอเรื่องาศาสนานี่ทำไมรู้สึกว่ามันมีเงื่อนไขมากไหลืเกินะเพราะใจของพวกเรามันไม่ใฝ่ศาสนามันไม่ฝ่ายดีกันมันฝ่ายกิเลกกันฝ่ายตัณหาความอยากกัน ถ้าอยากได้อะไรเนี่ยอมันเสิร์ชถามหมดเนี่ยอยากจะได้เออดีคโลนสักขวดหนึ่งเนะเดี๋ยวมันก็ไปเสิร์ดอีเดยได้เนี้ยมีราคาไหนถูกที่สุดใช่ไหมอยากจะได้อะไรมันต้องไปถามใครหรือเปล่าเดี๋ยนี้ถาม Google ก็ได้หมดใช่ไห ม, ม ตอนที่มีสร้างตระที่ขณเณรองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกไปติดทองไปไหว้ที่ขณเนรเชื่อว่าจะทำให้การงานรุ่งเรืองโดยเพาะที่เกี่ยวกับศิลปะอะไรก็ได้เหรอเขาบอกว่าเป็นเรื่องศีล ร, รัตตปาลามาทั้งหมดไม่เชื่อกฎแห่งกรรมทำความดีสิอยากจะเจริญรุ่งเรืองก็ขยันเลยทำงานให้มันดีทำงานให้มันเก่งแล้วถ้ามันไม่มันไม่ได้ผลดีก็ต้องถือว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเก่า มาขัดขวางเราเคยไปขัดขวางคนอื่นเขามา้่งเคยไปกันแกล้งคนอื่นเคยไปขัดขวางคนอื่นแม่เข้าเจริญนุ่งเรืองไม่มีมุติตาจิตมีความอิจฉาหรือยยาคนเห็นคนอื่นได้ดิบได้ดีก็ไม่พอใจหาวิธีกันแกล้งหาวิธีสกัดดาวรุ่งกันพอเราจะรุ่งมั่งก็เลยโดนเขาสกัดกลับเข้าใจไหมแล้วอย่าง การวนงใจของคนที่เวลาไปเจอพระที่ไม่ใช่พระพระที่ปฏิบัติไม่ดีแล้วเกิดไปมีจิตที่โกรธเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยทำผิดนะคะแตโกรธใครก็ไม่ดีใช่ไหมน่ะโกรธตัวเองก็ยังไม่ดีเลยเพราะความโกรธมันเป็นเหมือนเอาหอกมาทิ่มแทงตัวเองเวลาโกรธแล้วใครใครทุกข์อ่ะใครร้อนอ่ะก็เราเองอ่ะเป็นคนร้อนเป็น การโกรธใครนี้มันไม่เป็นเรื่องที่เราควรจะมีในใจของเราส่วนเรื่องจะเชื่อคนนั้นคนนี้หรือไม่นี้มันเป็นสิตที่ของเราพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วในการลมาสตรว่าอย่าไปเชื่อเพราะเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปเชื่อเพราะเขาล่ำเลยว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปเชื่อเพราะเราคิดว่าเขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่บอกว่าให้เอาไปพิสูจน์ดูก่อน ว่าเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นหรือเปล่าเขาเป็นพระอาหารหันต์หรือเปล่าเขาเป็นอะไรอย่างที่เขาว่ากันหรือเปล่าถ้าเรายังไม่สามารถพิสูจน์ได้เราก็ไม่ต้องไปเชื่อแต่ก็ไม่ต้องไปปฏิเสธเหมือนกับเราจะซื้อสินค้านี่เราต้องพิสูจน์ก่อนไหมว่าสินค้ารถคันนี้เขาขายนี่มันยางที่เขาโฆษณาไว้หรือเปล่าไม่ใช่เรา พ่เาเขาโฆษณาว่าดีอย่างงั้นดีอย่างนี้เราก็ไปซื้อเลยเราก็ต้องไปถามเพื่อนฝูงก่อนใช่ไหมถามคนที่เขามีประสบะการณ์เรื่องรถยนต์ก่อนว่าไอ้รถคันนี้บริษัทนี้มันเป็นยังไงฮะมันดีอย่างที่เขาพูดหรือเปล่าอันนี้เราก็เหมือนกันแต่เราไม่ต้องไปโกรธบริษัทนั้นที่เขาโฆษณาว่าโอยเขาดีอย่างงั้นดีอย่างนี้โกรธไปก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร เราควงใจเฉยกรณีที่เห็นผิดที่ไม่ถูกต้องทุกอย่างไลยวางใจให้เป็นกลางไว้ก่อนเป็นเหมือนศาลน่ะศาลพอใครมาพูดอะไรก็เชื่อเลยหรือเปล่าเวลาขึ้นศาลนี่ยศาลก็ต้องฟังทั้งสองฝ่ายไม่ใช่เลอก่อนที่ก็จะตัดสินว่าฝ่ายไหนผิดฝ่ายไหนถูกเขาก็ต้องมีข้อมูลพร้อมก่อนถ้าอายการเสนอสำนวนมา สารฟังแล้วว่ามันไม่ไม่ครบไม่ท่วนถ้าจะให้ตัดสินก็จะไม่ตัดสินไปตามที่อายการก็เปิดโอกาสให้อายการไปหาข้อมูลมาเพิ่มก็ได้หรือว่าผู้ต้องหาเสนอข้อมูลมาไม่ชัดเจนก็อาจจะเปิดโอกาสให้เขาไปหาข้อมูลมาใหม่หรือเสนอมาใหม่จนกว่าทั้งสองฝ่ายบอกว่าทำได้ดีที่สุดแล้ว ตอนนั้นสารก็ต้องตัดสินบนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับมาเราก็ต้องเป็นเหมือนสารก่อนที่เราจะไปเชื่อใครเราต้องฟังหูไว้หูก่อนมีคนเข้ามากระซิบบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะให้คุณขึ้นเป็นเป็นผ อ, อเป็นหัวหน้าบริษัทเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อถ้าคุณเชื่อเดี๋ยวเกิดเป็นต็อแหกตาคุณคุณจะทำยังไง เดี๋ก็เสียใจใช่ไห ม, ไหมจะเชื่อก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเขามาประกาศบอกแล้ววันนี่ต่อไปนี้ให้คุณเป็นหัวหน้าข่าวเป็นไม่เป็นเขาตั้งเราจะทําังไง<ม><น>ตอนนั้นจะเชื่อไม่เชื่อมันก็จริงแล้วออันนั้นอ่ะคือวิธีการมองมองมองโลกมองทุกสิ่งทุกอย่างให้มองด้วยเหตุด้วยผล ให้มองด้วยความเป็นจริงแต่ก็ไม่ปฏิเสธใครอยากจะมาเล่าอะไรให้ฟังก็ฟังได้หมดรับรู้ไว้ก็ดีบางทีรู้ไว้ล่วงหน้าก่อนมันก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเราได้เช่นเขาบอกว่ า, เ, าเขาจะไล่คุณออกอีกสิบห้าวันนะ อ, อันนี้คุณก็จะได้ เ, เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนให้ไม่แน่นะเราอาจจะต้องตกงานภายในสิบห้าวันก็ได้ยังก็ มันมันมันเป็นได้ทั้งสองอย่างะข่าวดีข่าวดีมันก็เป็นโทษได้ข่าวร้ายมันก็เป็นคุณได้ข่าวร้ายก็คือเขาจะไล่คุณออกก็ทําให้คุณต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนแะข่าวดีคือเขาบอกให้คุณเลื่อนเป็นตําแหน่งเลื่อนตําแหน่งเป็นหัวหน้าข่าวแต่มันไม่เป็นความจริงพอถึงเวลาไม่เกิดขึ้นมาคุณก็เสียใจยได้ถูกหลอกเนี่ยเห็นไหม ดังไม่ต้องไปเชื่อแต่ไม่ต้องไปปฏิเสธให้ฟังไว้แล้วก็รอเวลาพิสูจ น, น์หนึ่งอุ้ย่นาวาก็คือว่าปัจจุบันเห็นว่ามีมีกระแสของการดูกรรมมีกระแสของคนที่เขาบอกว่าเ็าสามารถเห็นกรรมเก่า ได้อย่างเงี้ยจริงจริงแล้วเข้าใจไหมคะเขาได้ไปสัมผัสกับคนที่อยู่เหมือนกับอบายเหรืออยู่อะไรจริงๆแล้วก็เราไม่เห็นกับตาเราเราจะไปเชื่อเขาได้ไงเขาจะหลอกเราก็ได้เขาจะพูดความจริงก็ได้ในเมื่อมันไม่เกี่ยวกับเราเราไปสนใจทำไมถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเขาเห็นจริงก็ก็ดีไปถ้าเราพิสูจน์ได้ว่าเขาตายแหกตาเราก็ดีไปเราจะได้ไม่ต้องเชื่อเขา ถ้าเราพิสูจน์ไม่ได้เราก็ไม่ต้องไปสนใจขเขาเขาปล่อยเขาพูดไปเขาจะรู้ไม่รู้ไงมันก็ไม่มาเปลี่ยนชะตากรรมของเราได้เราทำอะไรไว้มันก็ต้องรับผลของมันอยู่ดีมันไม่ไะไปเปลี่ยนอะไรในตัวในเรื่องของกรรมของเราเลยคำถามต่อเนื่องของหนูก็คือว่าคนที่ถ้าสมมติว่าเขาเห็นจริงๆแสดงว่าเขาก็ อาจจะนั่งสมาธิถึงถึงจุดถึงอะไรเงี้ยแล้วการที่เขาใช้ประโยชน์จากการที่เขาเห็นเ้าสัมผัสอย่างนี้ค่ะอารยือว่าแสดงว่าเขายังโง่อยู่ถ้าเขาฉลาดก็ต้องเอามาใช้ประโยชน์กับตัวเขาก่อนเนี่ยมันก็เห็นกรรมการทำเอ็นของกรรมคํากรรมของคนอื่นนะมันไม่เห็นกรรมของตัวเองแต่มื่อตัวเองอ ยังไปไม่ถึงนิพพานเนะี่ยันไม่ทําตัวเองให้ไปถึงนิพพานเนะนี่ยนีถือว่าเป็นพุทธภานิยังไงคะ<ถ>อุชาในทางนีนั่นแหละก็ถ้าเข้ามาทําแสวงหาราบสักการละก็ผิดแล้วพระจาทธเจ้าถึงสอนว่าไม่ให้ไปยุ่งกับเรื่องเรื่องอิทธิฤทธิปฏิหารทั้งหลายเพราะมันจะกลายเป็นเครื่องมือของตันหากิเลสได้พอมีเตียตาที่ผูทิพย์แล้วก็ไปบอกคนนั้นไปพูดให้คนนั้นฟังเขาก็ ตื่นเต้นชวนคนนู้นคนนี้มาทำบุญ <Yeah. S 1> ก็เลยไม่ต้องไปทำงานไปเป็นนักข่าวนั่งหลับตาใครมาหาก็อ๋อนู่นอย่าง น, นู่นอย่างนี้ถูกบ้างผิดบ้างคนฟังมันก็ไม่รู้อยู่ดีพูดให้มันดีใจไว้ก็แล้ววันเออตอบไปชีวิตจะดีขึ้นนะจะได้แฟนหน้าตาดีร่ำรวยออทุกอย่างโปร่งสาสไปหมดเพียง mm hmm. แต่ว่าต้องไปทำบุญเยอะๆนะ mm hmm. โดยเฉพาะกับคนที่บอกทางนะเน่ะเข้าใจไอมให้ดูที่การกระทําของเราเป็นหลักการกระทําของเราเนี่ยเป็นตัวที่จะบ่งบอกอนาคตของเราไม่ต้องไปหาหมอดูให้เสียเวลาถ้าทําบุญแล้วมันไม่มีทางที่จะไปรับผลบาปได้หรอก ถ้าทำบาปแล้วมันไม่มีวันที่มันจะดีได้คิดอย่างนี้ไว้ออ้าใครมาที่หลังต้องการจะทําอะไรเข้ามาของทางนี้เสร็จแล้วใช่ไหมมีตอนเดียวแล้วหรือมีหลายตอ น, อ น, น, น, ตนเอาไปตอบหลายตอนเนี่ยหลายเนี่ยมีทันต้นเหนือตอบหลายตอนถ้าอาจารยตอบลมมาทั้งหมดตัดต่อแล้วก็เป็นต่อทุกตอนดิ้งั้งโครงอะไรอ่ ยังมีมาต่อเลยต่อค่ะตอนนี้จ บ, จบแล้วจบนะแล้วเลยอ่าอาาครับมเมื่อกี้นั่งนั่งนั่งนั่งคุยดีนข้างล่างครับว่าการถวายปัจจัยพักหรืออย่างเงี้ยครับและอุทิศบุญเนี่ยอ่าจะได้เฉพาะอะไรนะได้เฉพาะอาสามภเวสีที่รักได้หรือเล่าก็มีสามภเวสีคือเปรตท่านน่ะที่จะเป็นผู้ที่มาขอส่วนบุญผู้อื่นเนี่ยเขาไม่ต้องมาขอเป็น ถ้าเป็นเทวดาเขาก็เป็นเศรษฐีบุญถ้าไปตกนรกก็เป็นเหมือนนักโทษติดคุกออกมารับบุญไม่ได้ถ้าเป็นเดรัจฉานก็เป็นก็หากินของเขาได้และ้ว ล, ลุกกับเทวดาที่อยู่ในระดับใกล้เคียงมาลุกลุกกับเทวดาเขาก็มีบุญของเขาอยู่แล้วไม่ต้องการเอถ้าเป็นเทวดานี่เขามีแสดงว่าเขามีบุญแล้วมีเปตรตเท่านั้นที่ไม่มีบุญนรกก็ไม่มีบุญเดรัจฉานก็ไม่มีบุญผีก็ไม่มีบุญ ที่เราคิดให้ถ้าเกิดเขาไม่ได้ไปเป็นเปรตเขาไปเป็นแบบอนุ่มที่สูงแบบเปรตเขาก็ไม่รับแต่เขารู้เขาก็จะขอบใจเราอนุโมทนาว่าเออยังคิดถึงเราอยู่ยังเป็นห่วงกันอยู่เหมือนคุณได้รับคนเป็นมหาเศรษฐีแล้วมีคนส่งเช็คมาให้ห้ารอย่างเงี้ยคุณก็เออ <c oughs> ก็เขียนจดหมายตอบขออนุโมทนานะาที่ยังเวสตาแต่เรามีอยู่ร้อยล้านเงี้ยห้าร้อย 500, ไม่รู้จะไปทําอะไระ <c oughs> <c oughs> เห็นธรรมก็ห้าร้อยล้านกับห้าร้อเห็นเทวดาก็เป็นระดับร้อยล้าน500รอยล้านก็จ้างแบบเจอรุษเทวดาที่หกมหาวัฏสงก็รวยไม่เท่ากันไงมีความรวยไม่เท่ากันมีบุญไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าเราไปทําบุญมาแล้วเราบอกว่าอนุโมทนาบุญเนี่ยไปทําบุญมาลุกเทวดาไม่ได้รับบุญแล้วแล้วได้เสวยมากขึ้นหรือเขาได้รับจากการอนุโมทนาไง พอเห็นเราทำความดีเขาก็มีความสุขกับการที่เราทำความดีก็แเค่เกิดดีปเปรตชิงใช่ไหมก็เกิดก็ดีกว่าอิดฉ้าแบบหรือขัดขวางไม่เห็นด้วย อ, อแต่เทวดาเขาจะไม่ไม่มีอย่างนั้นเทวดาจะมีนิสัยใจบุญอยู่แล้วก็ถึงเป็นเทวดาพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกตัางหากที่จะเป็นพวกที่ไม่อนุโมทนาบุญจะเป็นพวกที่ชอบอิดชา้าลิษยา หลวงตาท่านเป็นเรื่องการเผยแพร่หนังสือทั้งแต่เราเริ่มไปอยู่กับท่านนี้ท่านก็เริ่มแจกหนังสือท่เขียนหนังสือเรื่องแรกก็ประวัติถึงปู่มากเรื่องที่สองก็ปฏิปทาพระที่อยู่กรรมานแล้วท่านก็พิมพ์แจกคนที่มาทำเลที่ว<น>ัดคนที่อยู่ที่อื่นก็เขียนจดหมายมาขอท่านเลยมอบหน้าที่ให้เราเป็นคนหอหนังสือส่งไปให้เขา ปกติเราจะหลบซ่อนไม่อยากมาทําอะไรท่านกลัวว่าเราจะสบายเกินไปท่านก็เลยต้องให้เรามีงานทําบ้างงั้นเดี๋ยวจะโดนภาพรูปอื่นเขมรเอาเพราะระอาจารย์รู้้เลยว่าเกิดว่าสมมติเขาขอครั้งเขาเขียนมาครั้งที่สองเล่มนี้เขามีแล้วเขาไม่ขออีกเราต้องทําบัญชีไว้ไงทําบัญชีทําไว้หมดแล้วคนนี้ขอมาได้หนังสือเล่มไหนไปบ้าง แล้วเขาต่อไปเขาเขียนมาขอใหม่ท่านก็จะมาถามว่าเขาเคยได้ไปหรือยังถ้าได้ไปแล้วถ้าท่านเห็นว่าไม่มีเหตุไมีผลขอเพราะความโลภท่านก็จะไม่ให้แต่ถ้าเขาขอเพราะว่าอ่ะของเก่าที่เขาอ่านมามีคนขอไปให้ไปไหนท่านก็อาจจะให้ส่งกลับไปใหม่ได้เพราท่านทำบัญชีเองหรอว่าอยู่ตงเอ๋อไม่ทําไม่ได้บอกเพราะเราต้องท่านถามเราเราต้องมีคาตอบให้ท่านได้ ทำอะไรเราก็ต้องมีหลักฐานอของนี้ของนี้ไม่ต้องสอนถ้าสอนก็แสดงว่ามันมันยังไม่มีปัญญาได้ทาบ้างคนมีคนขอล้วขอซําอีกอนั่นแหละก็ต้องจดรายการไว้ว่าใครขออะไรไปบ้างแล้วเวลาใครใครมาขอใหม่เราก็จะได้ คือการแจกนี่โดยหลักต้องการแจกแต่เฉพาะคนที่อามาคือไม่อยากจะให้เขาเอาไปฝากคนนั้นคนนี้เพราะว่าหนึ่งมันเป็นการเสริมความโลภของคนอพอเห็นว่าเป็นของแจกก็อยากได้เยอะๆเ อ, อยากจะไปฝากคนนั้นอยากจะฝากคนนี้โดยที่ไม่รู้ว่าคนที่เราไปให้เขาเขาอยากจะได้หรือเปล่า ก, ก็ไม่รู้หนึ่งอีกสอง ของที่เราไปฝากเรายังไม่รู้เลยว่าดีหรือไม่ดีเรายังไม่ได้ทันอ่านเลยแต่พอเห็นว่าเป็นของฟรีนี่ก็เอากันใหญ่ถ้าลองบอกว่าต้องเล่มละห้าร้อยนี่ก็คงจะคงจะต้องคิดหน่อยแต่บางคนเรารู้ว่าเขาไปแจกจริงๆหรือว่าเขาเป็นคนหัวหน้าเป็นคนที่เออ่ ร่วมเป็นคนรับเงินต่างๆจากคนอื่นมาคนอื่นเข้ามาทําบุญไม่ได้อย่างงี้ยเขาฝากเงินมาให้ผ่านคนนี้มาเวลาเขามาเราก็ยินดีบางทีให้เข้าไปตั้งหอเลยก็มีเขาบอกเอาไปจากเพื่อนๆที่ร่วมทําบุญกันเพราะเป้าหมายหลักก็คืออยากจะทําอยากจะให้คนทําบุญก่อนเพราะคนทําบุญนี้มีรากฐานมีใจที่ฝ่ายบุญฝ่ายกุศล แต่คนที่ไม่มีรากฐานการทำบุญคนตนีคนที่เหนียวเนี่ยธรรมะจะเข้าใจเขาเข้าไปในใจเขายากให้ไปบางทีก็ไม่เกิดประโยชน์ให้ไปก็เป็นเหมือนไปเสริมความโลภของเขาเสียอยากจะได้แต่พอได้แล้วก็วางไวเ้เฉยๆไม่เคยคิดที่จะอ่านก็มีแต่พอเห็นแล้วก็อยากจะมีอยากจะได้เหมือนเขาเท่านั้นแหละเนี่ยที่เราบางทีเพื่อบอกว่า ขอให้เอาไปคนละชุดนี่คนเขาส่วนใหญวเขาจะขอมาขอแล้วก็บอกว่าอยากจะทําบุญยังไงจะโอนบางยังไงก็บอกว่าให้มาทำกับที่พระอาจารยเองอก็จะขอคือไม่ต้องถามนะถ้าฉลาด ก, ก็ฝากคุณมาก็ได้ <c oughs> อย่านี้ถ้ามันถามเลยคนที่จะทําบุญจริงๆมันมั <c oughs> นจะในวิธียาทำร้ <c oughs> อยแปดบางทีก็ถามไปแก้เขินบ้าง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม หนูไม่คิดเลยหนูก็ส่งให้เค้าซึ้นสีเลยเคนเราจะทำบุญมันต้องตั้งท่าตั้งหลักกันตรงไหนเมืนเวลาไปกินข้าวกับเพื่อนฝูงเนี่ยพยายามชักกระเป๋าออกมาชักไม่ทันเลยเพื่อนฝูงชัดไปก่อนเราเสืยตั้งท่าสวยตั้งท่าสวย <laughs> ปากก็พูดให hey, ้ผมเองผมเองแต่ไม่ออกมาสักที เห็นชัดชัดแหละคนคนที่อยากจะทําบุญไม่ทําบุญเน่เห็นชัดคนที่อยากจะทําบุญบางทีก็สั่งบอยไว้ก่อนแล้วก่อนเข้าไปในร้านเราให้บินมานี้มาที่เราเนี่ยจบแล้วก็นั่นก็ไม่มีอะไรหล้วก็พูดให้ฟังเพื่อจะได้เข้าใจหลักการของการกระทําอะไรของเราบางอย่างบางทีคนดูแล้วก็เหมือนกับว่าเออเราหวงหรือเปล่านะ ตาของมาแจากแล้วทำไมแจกไม่ให้หมดแจกไม่ให้หมดเอหรือทําไมยังมียุกยักอะไรอย่างนี้อยู่เอมันอยู่ที่คนเนี่ยถ้าคนที่เราเห็นว่าควรที่จะเอาเต็มที่เราก็ให้เต็มที่เลยคนที่ไม่ควรจะได้เราก็ไม่ให้เลยก็มีก็ <c oughs> บางทีคนจะหยิบหนังสือผมก็ไม่รู้ว่าควรมหครับการก็ที่บอกว่าถ้า เอาไปแล้วไม่อ่านจะยิบนะแล้วก็จะพูดตรงๆเลยถ้าอ่านก็หยิบไปไม่ว่าแต่ถ้าไม่อ่านจะหยิบแต่คุณจะเป็นภัยกับตัวคุณเพราะเราเพราะเราเรามีธาตเหลืองของกันไม่อยู่คุณไม่มีธาตเหลืองกันนะพุยตอบกระดุกหินมือถือด้วยนะครับห้าคุยกันนะครับแต่ก็ยังคุยกันอยู่ดี ก็ไม่เป็นไรถ้าเรามีเจตนาบอยสุดแล้วเราก็ทำเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมก็อาจจะต้องมีคนที่เขาไม่พอใจบ้างก็ห้ามเขาไม่ได้ไม่สนใจอยู่แล้วครับางทีผ้าผู้ยก็ยังไม่พอใจก็มีบางทีโดนโดนบาดสนเท่กลับมาก็มีมีคนเขาพาเด็กขึ้นไปศาลาที่ ช่อฉันแล้วก็ไม่ควบคุมเด็กปล่อยให้เด็กวิ่งเล่นส่งเสียงดังพ้าจะให้พงให้พอให้ศีลก็ไม่หยุดเราก็ประกราศบอกให้เอาเด็กออกไปไว้ข้างนอกนี่มันรบกวนชาวบ้านเขาก่อนจะกลับก็เลยเขียนจดหมายทิ้งไว้ให้ฉบัง <c oughs> อหาว่าไม่มีความเมตตาตอน <c oughs> ไรความเมตตาเป็นพระได้ยังไงอ ตอนนี้ที่มีเสียงแม่อีเขาฟอกแทนที่บอกว่าไม่เอาเด็กไปไว้ข้นงหน้าเนี่ยที่เทล่าก็เกิดจะไล่คน2คนที่นั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเด็กเหรอคะอาจารย์โตแล้วแต่โตแล้วยีกว่าแล้ว 20-30 ิบสนะแต่ฟังทำไม่เป็นไงนั่งฟังมาฟังไม่รู้เรืงไงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กขยับไปนู่นขยับมานี่2คน คือถ้าไปนั่งตื่นเรามองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรพอเห็นแล้วมัน <c oughs> มันขัดกับไอไ อ, อทําที่จะให้เขาให้ทําว่าเขาแต่เขาไม่รับฟังนีก็ดีพอพูดอย่างนี้ก็นิ่งหน่อยหรือว่าเจะเดินออกไปไมไ่เดินเดินนิ่งแข็งเลยแข็งยี่ตมีแต่พอ เ, <c oughs> เทศพอเทศเสรก็ลุกไปเลยนียออ บางทีเขาไม่ร um, ู้ว right ่าเข้ามามาจะมาเจออะไรเขาก็เลยนั่งคิดว่าคงจะนั่งทำอะไรก็ได้เพราะปกติเขาไปวัดต่างๆนี้พระจะเทศพระจะสวดเขาก็ทำอะไรของเขาไปได้พระก็เก่งใจไม่กล้าไม่กล้าเตือนโยมไม่กล้าบอกโยมกลัวโยมจะโกรธกลัวจะเสียลูกค้า กลัวจะไม่มีคนมาทำบุญเม่อมันก่อนผมไปวัดนึงคระบอกว่าเดี๋ยวจะเดินมาส่งที่รถมันก็ตกใจแต่ว่าทานเที่ยวไดยังรู้วาทเราพาเขากลับแล้วนะคะกลัวเขาใส่ซองให้เพ่อที่จะกับไี่รถเอาใจขนาดนั้นเลยเห็นเราเป็นนักข่าวเลยเห็นเล่าต่อสิคะเพราะว่าดูๆมาว่าอะไรเป็นโพสตอเป็นโพสออ หรือไปกับน้องที่เป็นเด็กหมอสมัยใหม่แล้วเขาก็คู้อหมอท่านครับเอเซนส์ของศาสนาพูดคืออะไรคะก็อึ้งแล้วก็ตอบไม่ได้อืมเขาก็เด็กเขาก็คือเด็กรุ่นใหม่ที่ยอมรับว่าตัวเองไม่นับถือศาสนาอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้อะไรอยอืมมก็เป็นเหตุที่เขาบอกว่าเขาก็เจอแต่สิ่งที่แบบนี้เลยไม่ได้คําตอบใช่ค่ะเดีหนูไปบอกเขาก็าเธอมีปุ๊กเลยเนี่ยจริงจริงหนูเอาหนังสือป้ายบอกทางไปให้เขา เ อ, อสมัยนี้คนไม่สนใจไม่ค่อยอยากไถ่ใจครับอาจารย์ไม่ส น, นเรื่องของเขาเราก็สนเฉพาะคนที่ไถ่ใจดีกว่าทําได้เท่านั้นนะ่นะก็บัวสี่เหล่าไงพระเจ้าบอกบัวเหล่าสุดท้ายบัวพวกที่อยู่กับคนกับตมก็ช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะเขารับไม่ได้กับความจริงเขาอยู่กับความหลงความมืดบอด เขาก็จะถูกความหลงความมืดบอดให้แสวงหาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาโดยที่เขาคิดว่าเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเขาดังนั้นการหยิบหนังสือเนี่ยถ้าหยิบด้วยความโลภจะหยิบไปทำไมเอาไปก็ไม่อ่านก็ เ, เลยบอกตรงๆเลยเอาไปไม่อ่านอย่าหยิบอะถ้าหยิบถ้าอ่านเอาไปเล ย, เเลยไม่ว่าอะ้รหยิบไม่ได้งกแต่เอาไปมันเสียเปล่าประโยชน์ทาให้เราทาให้เราเสียดุคายเยอะ หรือจะมองในแง่เดีก็ช่วยสกรีนให้ช่วยคัดคนให้เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยยังไงไม่ได้มานานมีอะไรอยากกระถามไหมไม่มีเป็นยังไงตั้งแต่มาวัดจนถทงบัตรนี้มีความแตกต่างกันมั้ย ในชีวิตความรู้สึกนึกคิดหรือเปล่าตัวยังเหมือนเดิมอยู่ดีขึ้นไหมสงบขึ้นไหมมีความสุขมากขึ้นไหมหรื อ, อ, อ, อมีความทุกข์น้อยลงไหมตอนนี้มีปัญหาสุขภาพเยอะค่ะแต่ก็ดีค่ะมีปัญหาสุภาพแล้วทําให้ได้ปฏิบัติมากกว่าตอนไม่นี้ อ, อแล้วจิตใจรับกับมันได้หรือเปล่าไดออ้ไม่วุ่นวายนะยเออ อยู่กัมันไปเหมือนเป็นสิ่งที่เราหามันเองจำไว้เป็นบทเรียนจะได้ไม่กลับมาหามันบ่อยเหมืนอนกับไปซื้อของร้านนี้ได้แต่ของเสียมาต้องจำไว้วันหลังจะได้ไม่ไปซื้อของร้านนี้การมาเกิดก็เหมือนกันมาเกิดแล้วก็ต้องมาแก่มาเจ็บมาตายไม่มีใครหนีพ้น ถ้าจำไว้ได้ต่อไปก็จะกลัวความเกิดก็จะหาทางหาทางหยุดการเกิดอย่างเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะก็เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายก็กลัวมากกลัวจนถึงขนาดยอมสละราชสมบัติเพื่อไปหาการหยุดการเกิดการแก่การเจ็บการตายให้ได้เห็นอันนี้ ขอให้เราจําไว้ให้ดีเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยท่องมันไว้เป็นสูตรตายตัวเลยว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหตุที่พาให้เกิดก็คือตันหาความอยากถ้าอยากจะหยุดตันหาความอยากไม่กลับมาเกิดก็ต้องปฏิบัติาทานศีลภาวน า, อ, า, อ, าอันนี้เป็นสูตรตายตัว ไม่ว่าจะอยู่ในยุคใดสมัยใดพระพุทธเจ้ารูปใดองค์ใดก็จะมาสอนสูตรนี้ทั้งนั้นสอนให้เราให้เห็นโทษของการเกิดแก่เจ็บตายแล้วให้เราปฏิบัติเพื่อยุติการเกิดแก่เจ็บตายด้วยการทำทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาจะหยุดความแก่ความเจ็บความตายจะหยุดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายใจจะ ไม่ไปแบบเวลาแก่ก็ปล่อยมันแก่ไปเวลาเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปรักษาได้ก็รักษาไปหายก็ดีหายไม่หายก็อยู่กับมันไปถึงเวลามันตายก็ยอมรับได้ใจจะไม่ทุกข์กับมันและใจจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าทําใจให้เป็นการไม่มีความอยาก อนี้แหละเป็นการปฏิบัติที่ทุกคนทําได้และต้องทําเองไม่มีใครทําแทนเราได้ตั้งแต่มหาเสกถีพระราชามหาการสัตว์มาจนถึงขอทานนี้มีความเท่าเทียมกันในเรื่องของธรรมะเรื่องของการปฏิบัติธรรมทุกคนต้องทำํำต้องทําเพียงแต่ว่าปริมาณนี้ต่างกันถ้ามีมากก็ต้องให้มาก เพเป้าหมายก็คือต้องการไม่ให้มีเลยถ้ามีร้อยล้านก็ต้องสละร้อยล้านถ้ามีสิบบาทก็ต้องสละสิบบาทถ้าสละได้ก็จะบวชได้คนที่มาบวชนี้ไม่มีเงินทองติดตัวมามีแต่บริขารแปดอัตรบริขารบาทจีวรใบมีดโกนปะคบเอวที่กลองน้าเข็มกัดได้ นี่เป็นสมบัติของนักบวชพอแล้วมีแค่นี้ก็ไม่อดตายแล้วมีเวลาปฏิบัติได้เต็มที่มีเวลาทำลายความอยากได้หมดมีวิธีนี้วิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำได้ฉั้นทุกคนต้องทำเหมือนกันพระพุทธศาสนาจึงไม่เลือกคนที่มาบวชว่าจะเป็นพระราชามาหากษัตริย์หรือเป็นขอทานรับรับเข้ามาบวชหมด แล้วเวลาบวชแล้วก็ให้ความเสมอภาคกันเป็นพระเหมือนกันหมดไม่ได้แย่ไมแบ่งแยกว่าพระ ก, กลุ่มนี้เป็นพระราชาพระ ก, กลุ่มนี้เป็นพระมหาาเษฐีพระ ก, กลุ่มนี้เป็นพระขอทานไม่ได้แบ่งแยกไม่มีชาติชั้นวันละในพระพุทธศาสนาท่านแยกแบ่งแยกคนด้วยกรรมใครทํากรรมดีก็อยู่กลุ่มของกรรมดีใครทํากรรมชั่วก็อยูกรร่กลุ่มของกรรมชั่วไป งนั้นขอให้เราพยายามปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนให้ได้ผลจะมีดีขึ้นไปตามลำดับผลโดยหลักก็คือจิตใจเราไม่ได้อยู่ภายนอกถ้าไปวัดผลภายนอกนี้จะผิดทันทีคนบางคนบ่นว่าเข้าวัดถ้บเป็นแทบตายทำงานก็ไม่ได้ดิบไม่ได้ดีเงินเดือนก็ไม่ได้ขึ้นมีแต่จะจนลงจนลงเน้ มันรู้รู้อย่างนี้ไม่เข้าวัดดีกว่าถ้ามองอย่างนี้ก็ผิดแล้วแต่ถ้าไป ม, มองที่ใจว่าเออเข้าวัดแล้วรู้สึกสบายอกสบายใจไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเอ อ, อันนี้แหละต้องมองที่ใจเป็นหลักทำทานได้แล้วใจจะอิ่มใจจะสบายรักษาศีลได้ใจก็จะสบายภาวนาได้ก็ยิ่งสบายนี่แหละตัววัดผลที่ ที่เกิดจากการเข้าวัดมาปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ตรงนี้ถ้าเข้าวัดแล้วยิ่งรวยก็แสดงว่าไม่ใช่แล้วถ้าเข้าวัดแล้วยิ่งจนเนียถือว่าใช้ได้เพราะยิ่งรวยมันก็ยิ่งลํา บ, บากต้องแล้วเมื่อจะได้บวชทักทีถ้ามันมีเงินมากมันก็ติดอยู่กับเงินนั่นแหละถ้ามันไม่มีเงินมันก็ต้องบวชอย่างเราที่บวชก็เพราะไม่มีเงินเงินหมด ไม่อยากบวชผู้ในควาจริงไม่อยากบวชถ้ามีเงินอยากอยากจะทำแบบคุณแบทบทําบทคุณตายคุณคุณต่อเนี่แหละหรือสร้างที่สร้างที่ปฏิบัติทําเองอยู่เองอยู่คนเดียวเป็นเจ้าสํานักเองเอาจริงๆเราไปคิดอย่างนั้นเนี่ยถ้าเรามีเงินมีเงินจ่ายค่าปอาหารนั่นค่าที่อยู่อาศัยนั้นเราไม่บวชหรอกเราไม่อยากจะไปเป็น เป็นลูกศิษย์ลูกหาใครไม่อยากจะให้ใครเข้ามาสั่งมาสอนเราอืมอก็โชคดีนะครับได้แค่พอทนเงินดเอาจารคนสมัยเนี่ยครับจะเคารพยกย่องผู้คนอื่นเนี่ยด้วยเงินตำแหน่งหน้าที่แต่ไม่ยอมเคารพยกย่องผู้อื่นด้วยคุณธรรมความดีและภูมิธรรมครับอาจารย์เพราะว่าเขาเห็นราบยศเสริญเป็นเป็น เป็นเหตุที่ทําให้เกิดความสุขนะทุกคนเลยวุ่งไปหาราบยศสรรเสริญกันใครมีราบยศก็อยากจะเข้าใกล้เพราะอย่างน้อยจะได้มีโอกาสได้ส่วนแบ่งไปอยู่กับมหาเศรษฐีนี่อย่างน้อยก็ยังได้เศษเงินก้นถุงก็ยังดีใช่ไหมอยู่กับมห า, าได้โชดบาท <laughs> <laughs> อยู่กับนายกก็ได้ตำแ ห, หน่งตําแหน่งอะไร อยู่กับผู้ใหญ่ก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศถ้าคนตาธนาอย่างนั้นเขาก็จะต้องไปหาสิ่งเหล่า น, นั้นไปไปอยู่กับคนดีเขาก็มีแต่ธรรมะให้เขาก็บอกว่าทาทานนะช่วยกันทำบุญนะก็มีแต่เสียไม่ได้เขาไม่รู้ว่าความสงบของใจความสุขของใจนี่มันยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญ แต่ต้องทำให้มันถึงขีดเหมือนการรับประทานอาหารนะต้องรับประทานให้มันถึงขีดมันถึงจะรู้สึกว่าอิ่มถ้ายังรับประทานแค่คำสองคาแล้วก็บ่นว่าไม่เห็นอิ่มเลยก็มันรับประทานน้อยไปทำทานแค่บาทสองบาทแล้วก็ยังไม่เห็นได้ผลเลยมันต้องทำให้มันถึงถึงขีดอิ่มตัวนั่ น, า น, าานา แ, แหละทุกขั้นทั้ง ทั้งทานทาั้งศีลทั้งภาวนาเวลาที่เอาชนะคู่ต่อสู้ของเราได้ที่ชนะความตันหนีได้เนี่ยแหวววงแล้วเกินอันเนี้ยห่วงแฟนยิ่งแฟนยิ่งเนีน่ยหวงใหญ่เนี่ยคนนู้นจะมาแย่งยกให้เขาไปเลยเยอันเนี้แล้วมันใจอิ่มขึ้นมาในใจเลยโอถ้ายกแฟนไปได้เหมือนยกยกภูเขาออกจาก อ, อกเลยเนี่ยทุกขกับแฟนโดยไม่รู้สึกตัวทุกเพราะหวงเพราะรักเพราะ ไม่ยอมให้ใครไม่ยอมให้เขาไปยุ่งกับใครไม่ยอมให้ใครมายุ่งกับเขาเนี่ยพอใครมายุ่งหน่อยโอ้โหใจร้อนใจใจฟึดฟัดขึ้นมาเลยใช่ไหมถ้าไม่มีตัวนี้ตัดตัวนี้ได้โอ้โหเบาเลยเห็นสุขเต็มที่เลยเอเจารยพระอาจารย์ครับความทุกข์ระหว่างความตายของตนเองกับความตายของ ผู้ที่เรารักเนี่ยอันไหนทุกมากกว่าคร่ไจันก็อยู่ท yep> ี่เรารักอันไหนมากกว่างอยู่ที่ความรักรักอะไรมากก็จะทุกข์กับสิ่งนั้นมากบางคนไม่รักตัวเองยอมตายได้ตายให้คนอื rec rec ่นได้แสดงว่าเขารักคนอื่นมากกว่ารักตัวเ็าเองก็มีจะมีแต่น้อยคนส่วนใหญ่จะรักตัวเองมากกว่ารักคนอื่น ก็ไม่เจริญสติไงไม่คอยควบคุมใจต้องฝึกสติตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยพุทโธไปพุทโธไปดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายก็ได้ถ้าไม่พุทโธก็ต้องเฝ้าดูการกระทำกำลังแปลงฟันก็ให้อยู่กับการแปลงฟันอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ กำลังอาบน้ำก็อยู่กับเรื่องอาบน้ำกำลังแต่งตัวก็อยู่กับเรื่องแต่งตัวอยู่กับเรื่องเดียวเรื่องที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันถ้ามันไม่ยอมอยู่ก็ใช้พุทธโธดึงเอาไว้พุทธโธพุทธโธพุทธโธไปหรือวิชาใช้บทสวดมนต์ก็ได้ถ้าไม่ชอบพุทธโธอาหลังสัมมาสวัสดิ์โตสุปฏิปันโนไปภายในใจสวดต้องสวดจะเป็นสวดให้มันรู้เรื่อง้วไม่ใช่สวดแบบ <c oughs> สวดให้มัน ให้มันคำต่อคำเลยทุกคำให้มีสติอยู่คาสวดทุกคำเพื่อที่จะดึงใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆนะันถ้าใจไม่ไปคิดเวลานั่งสมาธิมันก็จะสงบได้ที่ไม่สงบเพราะวลานั่งปั๊บก็ปรุงแต่งเลยเรื่องนู้นก็เข้ามาเรื่องนี้ก็เข้ามาเดี๋ยวยิ่งถ้าเป็นเรื่องขนมนมเลยเดี๋ยวก็นั่งไม่ได้ <c oughs> น้ำลายไหลขึ้นมา ดน้นต้องฝึกสติให้ได้ก่อนสเตเป็นตัวที่จะกำลาบตัวที่จะกำจัดความคิดปรุงแต่งเราไม่มีความคิดปรุงแต่งแล้วเวลานั่งเฉยๆใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างเต็มที่พอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะเจอความอิ่มที่ไม่เคยเจอมาก่อนความสุขที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วอันนี้แหละจะทาให้เราเบื่อกับทุกสิ่งทุกอย่างทาให้เราตัดความอยาก ในสิ่งต่างๆได้แต่ก็ต้องสู้กับมันเพราะเวลาออกมาปั๊บนิสัยเดิมมันจะกลับมาออกจากสมาธิมาความอยากมันจะกลับมาตอนนั้นก็ต้องใช้เหตุผลมาสู้กันใช้ปัญญามาสอนใจว่าถ้าทำตามความอยากแล้วจะได้อะไรได้ความสุขในเบื้องต้นแต่ได้ควา ม, วามทุกข์ตามมาได้เพราะว่าเมื่อได้มาแล้วก็ต้องรักต้องหวงต้องห่วง ได้มาแล้วบางทีก็ต้องเสียใจเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีพออยู่ไปนานๆเขาเขาเปลี่ยนไปจากเคยที่เห็นมีความเห็นตรงกันก็ไม่เห็นตรงกันจากการที่เอาอกเอาใจกันก็เอาอกเอาใจตัวของตัวเองมันก็จะทำให้เกิดความทุกข์ตามมาได้ <c oughs> ถ้ามองอย่างนี้มันก็จะ ไม่เอาดีกว่าหยุดความอยากดีกว่ากลับไปอยู่ความสงบดีกว่าอยู่กับความไม่อยากดีกว่าเพราะมันอิ่มมันสบายมันต้องสอนเพราะว่ามันนิสัยเดิมมันยังแรงอยู่ความอยากนี่มันยังแรงอยู่เวลาอยู่ในสมาธิเพียงแต่กดมันไว้เท่านั้นเองพอจากสมาธิมามันก็เป็นเหมือนสปริงที่เรากดไวนะ้พอเราปล่อยตัวกดถนะมันก็เด้งออกมาเลยดีดพึงเลย อันนั้นเราก็ต้องใช้ปัญญาไปตัดไอตัวตัวสปริงให้มันขาดไปเลยตัดด้วยเหตุด้วยผลว่าการกระทำตามความอยากนี้จะนำไปสู่ความทุกข์มากกว่าความสุขแล้วก็ต้องทำตามความอยากไปแบบไม่มีวันหมดสิน้นเพราะความอยากจะไม่หมดด้วยการทำตามความอยากความอยากจะหมดด้วยการไม่ทำตามความอยากถ้าสอนใจแบบนี้แล้วมันก็จะมันก็จะหยุดอยาก พอหยุดอยากแล้วใจก็จะกลับไปสู่ความสงบได้โดยไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเพราะว่ามีสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอออกมาโดนความอยากมันมาทำลายไปพอเราทำลายความอยากไปความสงบมันก็กลับมาใหม่นี่คือวิธีที่จะรักษาความสงบความสุขใจอย่างได้อย่างถาวรโดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิ ก็คือเวลามีความอยากต้องฝืนความอยากต้องใช้ปัญญาถอดถอนให้เห็นว่าเป็นโทษเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เที่ยงได้อะไรมาแล้วเวลาเขาเปลี่ยนไปเวลาเขาจากเราไปนี่มันทุกข์ล้วห้ามเขาได้หรือเปล่าสั่งเขาได้หรือเปล่าว่าให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้ดังนั้นก็อย่าไปยุ่งกับเขาไม่ดีกว่า่ะ เมื่อตอนที่เราไม่รู้จักเขาเราสบายไหมเราต้องไปห่วงเขาไ้ยต้องไปห่วงเขาไหต้องไปทุกข์กับเขาไหมพอไปมีเขาขึ้นมาแล้วเป็นยังไงกินไม่ได้นอนไม่หลับก็เพราะเขาไม่ให้เลย <c oughs> นั่นแหละใช้ปัญญาพิจารณาดูหนมันก็จะเห็นความจริงเห็นโทษของสิ่งต่างๆที่เราไปอยากได้อยากมีอยากเป็นแล้วเราก็จะตัดได้หมด แล้วก็จะสบายอยู่อย่างไม่มีความอยากนี่สบายอยู่เป็นสุขนะอยู่กงเหลือแต่เหลือแต่ตัวร่างกายนี่ที่ยังต้องคอยดูแลมันอยู่ต้องคอยบันเทาทุกกับมันอยู่บันเทาทั้งเข้าทั้งออกทุก์ก็ต้องกินทุก์ก็ต้องเอาออก ร่างกายมันมันทุกข์ทั้งขึ้นทั้งล่องมเนี่ยและเวลาขายก็ต้องกินใช่ไหมก็ทุกข์เวลาท้องว่างก็ทุกข์แล้วเพอพอท้องเต็มก็ต้องถ่ายแล้วจะได้ให้มันว่างจะได้เติมเข้าไปใหม่ก็ทุกข์อยู่อย่างเนี้ยความสุขของร่างกายจึงอยู่ที่ว่ากินได้กินได้ถ่ายได้เนี่ยคือความสุขของร่างกาย คิดูถ้าถ่ายไม่ได้ยังมีความสุขไหมคนที่ท้องผูกเนี่ยโหยทุกข์จะตายไหมต้องหายาถ่ายมากินเงี้ยนี่แหละคือความทุกข์ของร่างกายแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังต้องดูแลมันอยู่ยงแต่ว่าท่านไม่ไปแบกมันเท่านั้นเองท่านก็ดูแลมันไปตามอัตภาพอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปใช่ไหมท่าไม่ถ้าไม่ยืดต่ออยู่ไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยแปดสิบท่านกพอแนละ้ว อยู่ไปแล้วต่ออายุแล้วเป็นแบบเอามาพึกเอามาพาดเป็นแบบเจ้าชายนิทานนี้อยู่ไปทําไมอยู่ไปแล้วไม่ได้ทําประโยชน์อะไรเป็นภาระรากับคนอื่นพุทธาก็บอกว่าอานุนแล้วในอานุ์ถ้าเราจะอยู่ต่ออีกสี่สิบปีเราก็อยู่ได้อยู่ถึงร้อยยี่สิบเราก็อยู่ได้แต่คนอื่นจะต้องมาคอยรับใช้เรา่ะ เพราะเราไม่สามารถที่จะดูแลเอสังขารร่างกายนี้ได้ด้วยตัวของเราเองเพราะเรี่ยวแรงของเรามันจะหมดไปจะน้อยลงไปมันก็จะเป็นภาระของอาโนนเนี่ยพที่พระเจ้าพูเนี้่อานน์ก็ไม่เข้าใจอานน์ก็เฉยเฉยไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ขอให้อยู่ต่อไม่ได้อาศาัยสมัครว่าอยู่เถิดผมจะ อ, อุปถัมภ์เองไม่ต้อง ก, กังวลเขาไม่พูดชักคำ พระพุทธเจ้าก็อยู่จนความอายุร้อยยี่สิบในอนุนไม่พูดนยแสดงว่าอนนนอาจจะไม่ไม่เข้าใจหรือว่าไม่อยากจะรับใช้ก็ได้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกบอกมันต้องหลายโหนแล้วมันไม่มีไม่มีการตอบสนองก็เลยต้องโป่งเลยท่านบอกงันแปดติดไปจะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เยียวยาไม่ดูแลมันละปล่อยมัน พอบอกอานวนทว่าอีกสามเดือนเราจะไปแล้วนะโห oh, อานนท์ขอร้องอย่าหยุดขอขอให้อยู่ต่อเถิดอะไรก็เราบอกเธอต้องสามผลแล้วเธอไม่เคยขอเราเลยเอพอเราปรงเราตัดสินใจแล้วนี่เราเปลี่ยนใจไม่ได้นะสัจจะเนี่ยพระพุทธเจ้ามีอธิษฐานแล้วก็มีอัจสัจจะอธิษฐานก็คือว่าภายในสามเดือนนี้จะปล่อยปล่อยวางสังขาร น, นี้จะไม่เลี้ยงมันอีกแล้วจะไม่ยืด ต่ออายุเขามาอีกแล้วพอพอตั้งสัตตั้งอธิษฐานแล้วก็มีสัจจะคือไม่คืนคำไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนความตั้งใจต่อให้พระอนุนมาขอยังไงก็สายไปเสียแล้วแต่ท่านก็ให้กําลังใจพระอนุนว่าก็ดีอย่างเราตายไปเนี้ยเธอจะได้มีโอกาสได้บรรลุเพราะเวลาเราไม่อยู่เธอก็จะได้มีเวลาบําเพ็ญได้อย่างเต็มที่ ภายในเวลาสามเดือนเธอก็จะได้เป็นผ้าอาะไรสามเดือนหลังหลังจากที่เราตายไปแล้วใช่ไหมสามเดือนใช่ไหมอนั่นแหละก็เป็นเป็นประโยชน์กับพระอานุ์แต่เป็นการสูญเสียของของพุทธศาสนิกชนของของสัตว์โลกที่จะไม่มีศาสดามาคอยอบรมสั่งสอนให้อีกถึงสี่สิบปีด้วยกัน แต่ทำยังไงได้นะ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของวิบากของพระเจ้าก็ได้ที่ทำมาได้แค่นี้พระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ไปต่อทำมงคลสือประยุทธะเมื่อหลวงปู่โบเกต80ดนี้นะใช่ไหมใชครับผมไม่ได้ไปครับเสือไปหาอะไรแต่ท่านก็อาจจะมีคนขอเยอะมั้งในโลกเสดอ ลูก <ใน S 1> สิ้<า>นลูกหายขอให้ท่านอยู่ต่อท่านก็อาจจะเฉยเฉยท่านก็ไม่ได้ไปอะไรก็เหมือนส่งเคาะไปก็ดีถ้ามีคนอยู่ต่อท่อานก็อยู่ได้ท่านก็อยู่มีคนคอยอุปถาอบอุปถัมภ์ไม่สบายก็หาหมอหาอยู่หายาก็ดีก็ดียังได้กานีอย่า ง, างกรณีหลวงตาอาจารย์ หลวงตาอยู่ต่อได้ไหมครับกรณีนี้ก็สุดแล้วน่ะสุดของหลก็คนขอท่านมาตลอดท่านก็อยู่มาตลอดมาตลอดตลอแต่การของท่านมันมันถึงจุดนั้นน่ะมันไปได้แค่นั้นถ้าเรียกว่าถ้าเตามน้ํามันมามันก็หมดถังแล้วก็ได้แค่นั้นเองก็อย่างที่เวลาพระสารีบุตรเนื้อพระโมคคัลลามากราบลาพุชธเจ้าว่าจะไป ตายอย่างเงี้ยครู้ใจก็ไม่ได้บอกว่ า, าดีหรือไม่ดีแต่บรกเออมันถึงเวลาแล้วแหละท่านก็พูดแค่นั้นนะต่ว่าตายดีก็ไม่ใช่แต่ว่าไม่ดีก็ไม่ใช่ถ้าดีหรือไม่ดีก็แสดงยังมีอคติอยู่ยังมีรักมีชังอยู่ในใจของผู้ที่ไม่มีอคตินี้ท่านจะไม่คิดอย่างนั้นท่านจะคิดว่ามันเป็นเหตุปัจจัย <c oughs> เป็นเรื่องของสัจธรรมความจริง ของของเวลาของเหตุการณ์ที่มันจะต้องเป็นไปตามนั้นละเอียดนะถ้ า, า, าคนถ้าไม่เข้าขีดถึงขีดตรงนี้จะจะจ ะ, จะทำใจเป็นกลางไม่ได้จะต้องไปทางใดทางหนึ่งบางทีเห็นแม่นอนทรมานรักษานานพอแม่ตายก็ดีใจเออแม่จะได้สบายไป เ, เราไม่เหนื่อย พอใจเรายังมีรักมีชังอยู่ก็เป็นธรรมดาก็ไม่มันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะเราไม่ได้ไปทำบาปทำกรรมอะไรเพียงแต่ว่ามันบ่งบอกสถานภาพใจของเรา mm hmm. เวลาพูดเนี้ยคุยคุยกับคนที่เขามีคุณธรรมสูงกว่าเขาฟังพระก็จะรู้เลยใ mm hmm. นเวลาพระคุยกันคุยเรื่องธรรมะเรื่องอะไรเนี้ยมันจะอ่านจิตอ่านใจกันได้เวลาฟังคาพูดฟังของของแต่ละคนพูด คนที่มีคุณธรรมต่ำกว่าจะไม่รู้คนที่มีคุณธรรมสูงกว่าแต่คนที่มีคุณธรรมสูงกว่านี้พอพูดออกมานี่จะรู้เลยว่าอยู่ต่ำกว่า <c oughs> ยังไปไม่ถึงขีดนั้นยังไม่ถึงจุดนั้น <c oughs> บางทีเจอกันบางท่านไม่ค่อยกล้าพูดกันกูัจะเผยไตเห็นไหมมันก่อนได้หลงปู่มาพยายามอย่าให้ให้พูดออกมาก็ไม่ยอมพูดอะไรเผยไตเนี่ยชอบอาจารย์คุยกัคุณเก่งวันนั้นมากกแต่คุณเก่งที่มาวันนั้นที่ทัิอ่อ่า ขายอ่าเสียงไปเลไม่ได้อ่เสียงพาอย่าพอดีอยู่อยู่ฟังพอดีเลยคุยเอจ็บ้แล้วหมอใช่พูดสนุกดีนั่นท่านสายวัดป่าแล้วหนูก็แน่ๆว่าอวัดอีกวัดหนึ่งที่หนูไปที่ท้ายจะเดินมาส่งเขารู้สึกที่เขาไปติดป้ายกันก็ขับเด้น ขับเอาผ่าไปพระท่านก็จะดูแลอย่างดีก็นึกถึงตอนที่ท่านคุณบอกว่าที่มีคนนึงขับรถเบ้นไปวัดแล้วแม่ชีบอกที่มัอยู่ด้วยอีกเจ็ดวันตายพี่เจ้าคุณบอกว่าจันถึงอาทิตย์ก็ตายเหมือนกันออืเข้าใจเข้าใจวันที่เจ้าคุณพูดกับวันที่หนูไปเจอเองที่วัดอีกวัดหนึ่งที่ที่อยู่่ทีน้องถามรถพระตอบไม่ได้เข้าใจความหมายว่าขับรถอะไรไปแล้วจะเป็นยังไงอ เราจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้ว่าพูดยังไง <c oughs> แต่คุณเข้าใจได้ก็ดีขอให้เราเชื่อหลักอัตตาหิอัตนโนนาเถิะตนเป็นที่พึ่งของตนไม่มีใครมาปลุกมาเสกมาเป่าให้เราวิเศษวิโสขึ้นมาได้อเราต้องปลุกเสกตัวเราเองเป่าตัวเราเองพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าได้ด้วยพระองค์เองเห็นไหม พระอาหารหันต์ตัสมมาสมพุทธเจ้าเป็นพระผู้ตัจรู้โดยชอบด้วยพระองค์เองพระอาหารหันต์ก็ต้องบรรลุธรรมด้วยตนเองเพียงแต่ว่าต้องพึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนก็จะไม่มีวันเป็นพระอาหารหันต์ได้เพราะไม่รู้จักวิธีมีพระพุทธเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ค้นพบวิธีได้ด้วยตนเอง ถึงนถึงขนาดนั้นท่านก็ไม่สามารถปลูกเสกเป่าให้เราเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาได้ถ้าปลูกเสกได้ป่านนี้พวกเราไม่ต้องมาเกิดขึ้นมานั่งคุยมานั่งฟังธรรมะกันทุกวันนี้ท่านเพ่งจิตไปสู่เออในวัตตจักเลยขอให้บรรดาสัตว์ที่บรรดาสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในคันี้เข้าไปสู่พระนิพพานโดยฉับพลัน มันเป็นไปไม่ได้มันต้องอัตตาหิอัตโนนาโถโดยอาศัยพุทธังธรรมังสังขังสารนังกระฉามิเป็นผู้นําเอาพระพุทธเจ้าบุขพระอาหารหันต์เป็นแบบฉบับเป็นตัวอย่างเอาคําสอนของท่านเป็นตัวดําเนินการด้วยการดําเนินด้วยอัตตาหิอัตโนนาโถคือตัวเราเราต้องทําทานเราต้องรักษาศีลเราต้องภาวนา ตอให้มีครูบาอาจารย์วิเศษขนาดไหนถ้าไม่ทําทานรักษาศีลภาวนาท่านก็บอกว่ า, าไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองท่านเหมือนก็อยู่ห่างไกลกับท่านเป็นโยชนแต่ถ้าอยู่ห่างไกลจากท่านเป็นโยชน์แต่ได้ทําทานรักษาศีลภาวนาก็เหมือนกเกาะอยู่เกาะชายผ้าเหลืองอยู่ตรงนี้อยู่ที่อัตตาหิอัตโนานาโถอยู่ที่การปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอน มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะให้ผ่อนนะเพราะคิดว่าพอสมควรแก่เวลา <c oughs> ยะถ า, าวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยทามณิโชติระโสยทาสพีติโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวทวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีลิษะนิจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมวทานติ อายุว mm ันโอสุขังภาลางโยมที่ขายทองอยากจะขอรบกวนพูดลายหน่อยได้ไั mm ้ย hmm. คือเห็นโยมถวายปัจจัยพิมพ์หนังสือเป็นประจำข่าวต่อต่อไปนะี่อยากจะให้ติดต่อกับคุณต่อแล้วโอนมอมเงินให้กับเขาเลยได้ไั mm ้ย hmm. เพราะเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นคนที่ต้องมาเกี่ยวข้อง เดี๋ยวคุณต่อให้เบอร์เธออยูย่ๆไว้แล้วเวลาจะอยากจะทําบุญถวายหนังสือก็ถามโอนโอนเงินให้เขาเข้าบัญชีเขาไปเลยจะสะดวกกว่านะแต่ถ้าไม่ทําก็ไม่เป็นปัญหาอะไรนะเดี๋ยวอันนี้พูดไว้พอเห็นว่าพอดีมาเจอกันตรงนี้ก็เลยเราจะได้ไม่ต้องมาเป็นภาระอาจารย์ครับมีอะไรปรึกษาครับตอนนี้ครับอาจารย์มีคนอยากแต่ผมก็ไม่รับครับผม เพราะผมว่ามันจะกลายเป็นเดี๋ยวกลายเป็นการเรี่ยไรไปอนี่เดี๋ยวคนอยากจะโอนเงินมาเพื่อจะร่วมทํานังสือแล้วก็บอกเจอกันใกล้ใก้ดีกว่าไม่อยากเรีย่ยไรกลายเป็นเรี่ยไรแต่มีคนเยอะแต่ผมบอกไม่เอาตลอดเลยยังไงก็ไม่เอาอย่าเอาดีกว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครมาจากไหนใช่ก็เลยอย่าดีกว่าครับให้มาถ้าเจอกันใกล้ใดีกว่าอยู่ฝัใครมาก็ดีกว่าออก็จะมีพิ่มไปเรื่อยๆนะ ถ้าขาดหรืออะไรแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งที่เราเก็บจำลองไว้ยันไม่ต้องกลัวเรื่องเงินที่จะขาดนเอคิดว่าไม่น่าขาดแล้วเพราะว่าเรื่องสองก็มีเจ้าภาพล้ออยู่แล้วถ้าขาดเราอาจจะปรับรูปแบบหน่อยคือตัดภาพตัดสีอะไรให้เอาแต่ปกสวยๆก็พอข้างใ น, นก็มีแต่ตัวหนังสือขาวดาก็ได้ออก็ดูเหตุการณ์ไป ก็พิมพ์ไปเรื่อยๆเพราะว่าคนจะได้เผยแผ่ธรรมะจะได้มีธรรมะใหม่ได้อ่านเนี่ยเราก็ทามาตั้งแต่ปี40เริ่มพิมพ์หนังสือแจกมานี่ก็17ปีแล้วชุดแรกก็กําลังใจตอนนี้ก็ยังแจกอยู่อันนี้กําลังใจเข้าสู่เล่มที่34แล้วจนละธรรมเขาก็35แล้ว ก่อนทุณจาคนจีนค่ะโทรมาเขาฟังกัรเลนเสาค่ะเขาที่ถามไปเขาโทราบอกว่ามีใครโทรมีใครจะขอเนื้อเพลงที่ทำีมเล่สื่อีกหรือเปล่าได้ยินเสียงคนพูดอธิบายใหเขาฟังว่าอ๋อมีคนที่เขาเล่นสึ่มาถวายใช้จานแล้วเขาขอกันเทศอาจา์จะลงเลนสื่อเล่นเสาอ๋อหมายถึงเล่นสองของเขาเลยเล่นสองเขาที่เขาผลิตนรบโลกทำอย่างนี้หรือ่าใน่บขออีกหรือเปล่า เขาบอกว่าถ้าพิมพ์รีพิ้นของทั้งธรรมบนขเขาเล่มหนึ่งแล้วก็เสศษมหาเศษผีตอนนี้จะแพงที่พราะกระดาษมาใหม่กันขึ้นเอเอออเ่าของไว้กาดวางไว้ตรงนู้นเลยไม่ต้องบอกประเคนวางไว้ตังอของใช้มาประเทนได้ส่วนของสันก็วางไว้ตรงน้ ถ้าต้งามหนังสืออะไรก็หยิดได้หนังสือซี <c oughs> <c oughs> หยิดได้นะหนังสือซีดีต่างๆ <c oughs> มาจากที่ไหนเคยมาหรืเป <c oughs> ่าอ๋อแล้วรู้จักที่นี่ได้ไง อืหยิบได้นะหนังสือทุกอย่างเลยเอาไปอย่างละอย่างละเล่มอย่างล ะ, ะอันเท่ า, าที่มีกันแล้วกันนะ ก็เดี๋ยวกลับไปก็เอาลงยูทูบก็ได้แล้วทเป็นตอนพิเศษตอนปรึกษาดีอ่านไว้หรอออ่านเสียงไว้ถ้าได้ครับผมสังเกตเราโพสเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับโลกโลกหรืออะไรคนชอบคะชอบเพราะว่าระดับจิตเขาอยู่ระดับนั้นเขาอ่านแล้วเขาเข้าใจไงพอเข้าสู่วิปัสสนาเข้าสู่ธรรมภายในนี่เขาจะฟังไม่รู้เรื่องนะอ่านไม่เข้าใจอือ ยอดแชร์รกว่าแต่เน่ก็คือสอนในคาในที่โพสีละเอียดก็มีคำสอดันด้วยราเชื่อของการที่เด็ดเดี่ยเยอะพแต่ละโพสที่เราแชร์ในในหน้าของของเรามันก็อย่างน้อยก็พันหนึ่งขึ้นไปคนดูพันหนึ่งขึ้นไปอันนี้แชร์ครับยอดแชร์ยอดแชร์ยอดแชร์ไอไอภาพจิ๋ี่เจ็ดร้อยกว่าแล้วครับเยอะที่สุดแล้วครับ เจ็รยกว่าเจ็ดพันกว่าอ๋อถ้ายอดดูเกินครับอ่ยู๋อยอดแชร์ดูหมายถึงว่าเขาต้องคิดตรงดูเพิ่มเติมใช่ไหมถึงจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่ต้องครับก็คือแบบถ้าผ่านตาเขาเมื่อไหร่เนี่ยถือว่าดูแล้วก็ผ่านเลยว่าเปิดคลิกเข้าไปดูนั่นนะครับก็ต้องคลิกตรงตรงดูเพิ่มเติมใช่ไหมเลยออคลิกดูภาพใช่ไหอถ้าเข้าไปหน้าหน้าแรกเฉยๆนี่มันยังไม่ขึ้นใช่ไหอ ต้องไปดูแต่ละรายการรายละเอียดที่บอกให้ดูเพิ่มเติมถ้าเราคลิกตรงนั้นอ่ะมันถึงจะขึ้นเอแล้วถ้ากดไลก์ก็จะขึ้นยอดไลก์ขึ้นอีกต่างหากบางคนก็ชอบติดใจมากนะก็จะเป็นแฟนเพราะเฟซบุ๊กเขาไม่ได้ทําชอบมากชอบมากแคไรอย่างเดียวก็เลมีจุดที่คนจะได้เข้าไปศึกษาได้นะอได้ความรู้ว่าอะไรต่างหากว่าการสอนเรื่องจุดมันสอน วันสองที่สามสิบเอแล้วเราโพสตแล้วมีคนหนึ่งว่าชัดเจนมากไลน์แล้วก็พอมีเมถิกชัดเจนมากแสดงว่าเขาถูกใจมากผมเคยผมเคยบอกอุบายอย่างหนึ่งก็ผมเินอุบายครับอาจารย์ตอนที่ยกเขาไปวุ่นเรื่องการเมืองมากๆอ่ะยกเปิดหน้านณะติดแล้วดู ความคิดเห็นมันนานดูดิว่ามันเกิดประโยชน์ขนาดไหนแล้วมันจะเกิดปีติกับเราแล้วเราจะลืมเรื่องการเมือไปเลย เ, เพราะประโยชน์มันมากกว่าอใจเราไปเล่นกับของร้อนมันก็ร้อนไปเล่นกับไฟมันก็ร้อนถ้าไปเล่นกับน้ําแข็งมันก็เย็น <c oughs> พยายามถอนตัวออกมานะโลกนี้เป็นโลกของความร้อน ลาบศสรรเสริญนีหาพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พออย่าไปหวังร่ำหวังรวยหวังเป็นใหญ่เป็นโตแล้วมันจะมองธรรมะผิดไปมันจะมองคนแทนที่จะเป็นมิกลาเป็นสัตว์ตกนันหมดเพราะเป็นผู้แข่งกันแข่งแย่งกัน อ่ะนะเดี๋ยวคุณไปคุยกันข้างนอกต่อก็แล้วกันเา่อะเดี๋ยวจะได้คุยกับชาวต่างประเทศหน่อย you want to talk to me no you want to talk you want to talk to me come on come on Because sometimes n o r people have uh, different interests uh, and different uh, needs, uh, and you have uh, different needs for yourself or for yourself. Mm -hmm. Well, basically, what we should look after one another is the four basic requisite of life: uh, food, clothing, shelter, and medicine. If any one of us lack this, then we should provide them with this. Once they have this, then we we we have done enough for them. Other than that, they have to look for themselves. Okay, understand? If your parent doesn't have a home, then you should find a home for them to stay. If they don't have enough clothing, you should buy them clothing. If they don't have food, you should provide them with food. If they are sick. They need to have medical attention. You have to, if you can provide for them, you should do it. Yeah. Other than that, you don't have to worry. If they want to go to, to vacation, if they want to buy a fancy car, they have to do it for themselves. Unless you have enough money, you got plenty of money, you want to share with them, give them. That's another story. <clears throat> But uh, sometimes we need to make uh, some decisions. For where to live and uh, move to another country, and sometimes we have different decision. Yeah, one of, of us uh, want to go to one country and stay over there, mm -hmm. and another one want to go to another country and stay over there. Mm -hmm. And we need to make uh, something together. Well, you have to set your priority. What do you want? Do you want to be together or separate? If you want to be together, then you have to have to let one person decide which where they want to go. Where where we, then you just follow them. If you want to set your priority as doing what you want to do, going to where you want to go, then being together will will not be the main priority. Yeah. So you have to set the priority. What do you want? Yeah. You want to be together, or you want to go where you want to go. So <laughs> you cannot have them both. This like you cannot have your cake and eat it too. You, know? oh, yeah. you have a cake. You want to keep the cake. You cannot eat. <laughs> If you want to eat the cake, you won't have the cake left. <laughs> <laughs> But it's about uh, how to find the balance. Because if you will give some, to somebody everything, or uh, you mm. will um, take everything from somebody, mm. you, it's the wrong way. Yes. If you if you believe in the Buddha, the Buddha said giving to other people will give you more happiness than giving it to yourself. Yeah. If you can do what the Buddha said, then you will be happier. But it takes a lot of effort because. Your desire doesn't want to do what the Buddha said you should do. Your desire want to do more for yourself than do more for other people. But if you can switch around and you sacrifice, like Ma Mother Teresa, you heard of Mother Teresa? She gave up a good life and she go live in the slum of India and devoted her, her life to supporting the sick, the elderly, yeah. and then she became a saint. No. and she was happy. She wasn't. She wasn't sad when she was doing this. She was happy. Yeah. I, I know because uh, now I fall in love with some person, and uh, for me, I have more happiness when I give something tasty to her a yeah. n I, I take it f r m e That's right. I have yeah. more happiness. Mm -hmm. I'm more happy. That's, That's right. right. Yeah. because you enjoy like you. Give, like for baby. That's right. When you give something for your baby, y e are more happy when you eat it right, yourself. Yeah. So you should do that to, yeah. with everything. Yeah. Your parents want something. If you can give them, give them. But I am a m n I. Uh, I, I d <laughs> man? <laughs> I need to make some decision about my family, where to live and uh, what to do generally. Uh, not about the food, not about the, what to wear, uh, just about j u s generally where to live and what to do for my family, all of my family, and I want to make the right decision uh, to be happy for me and uh, happiness for my family too. Mm. Is, Sometimes in conflict, they in c o n f l i c t they cannot go together. So you have to weigh which is more important to you. Yeah. Like if you want to keep your birthday cake, you then you, you don't eat your birthday cake. Mm. Just keep it in the refrigerator, <laughs> then you'll see the cake every day. o t a lah. Okay. Let's c o n i e เอาละนะเดี๋ยวต่อจะได้เก็บของได้เดี๋ ที่เอ็มเอฟ y ี4 5